มาทบทวนถึงการศึกษาและก็การปฏิบัติของเราทั้งหลายการศึกษาการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยนะเราก็ต้องหวังผลใช่ไหมผลที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรผลในเบื้องต้นผลในเบื้องปลายผลในเบื้องปลายทุกคนก็รู้ว่าต้องการมรรคผล น, ผนิพพานทัวในครั้งหนึ่งนะว่า การเข้ามาศึกษาปฏิบ <S an> ัต <S an> ิของเราเนี่ยนะก็หวังผลในเบื้องต้นกับหวังผลในเบื้องปลายผลในเบื้องปลายก็ชัดเจนใช่ไหมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานการตรัสรู้ธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์นั่นะเอาสูงสุดนั่นแหละโสดาปติมรรคโสดาปฏิผลสกัธาคามิมรรคสกาธาคารมิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจนเรียกว่า แทงตลอดอ ม, มะตะคือพระนิพพานอันนั้นคือผลที่เทระยอดนั่นสุดยอดแล้วสูงที่สุดแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะได้มาโดยอย่างไรหรือจะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรผลเบื้องต้นที่เราจำต้องปรารถนาก่ อ, น, อนนั่นการกระทากิจกรรมทั้งหมดเนี่ย การทํากิจกรรมการคบหาสมาคมการกระทําทุกอย่างก็เพื่อผลเบื้องต้นผลเบื้องต้นที่เราจําต้องปรารถนานั้นก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะและก็ปัญญาหรืออาจจะเพิ่มฮิริโอตตะปะอีกเข้าด้วยแต่ว่าฮิริโอตตะปะก็รวมอยู่กับศีลอยู่แล้วศรัทธานี่คือจําเป็นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหา หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนนี่ศรัทธานี่อยู่ที่ไหนศรัทธาก็เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับใจใช่ไหมศรัทธานั้นชื่อว่าเป็นความผ่องใสแห่งใจทำใจให้ไม่ขุนมัวทำใจให้ผ่องใสเป็นเครื่องชำระตะกรอนใจชำระนิวรนิวรนี่เป็นตัวที่ทำให้จิตใจน่ขุนมัวศรัทธาเป็นเครื่องกรองชำระจิตใจไม่ให้ถึงความ ขุนมัวศรัทธาก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วใจของเราจะผ่องใสได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการตามและลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่เกิดของศรัทธาเป็นที่ตั้งที่จะให้ศรัทธานี้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นนะ อย่างแต่ละบทที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนะอระหังเราเลื่อมใสเลยไหมถ้าหากว่าเลื่อมใสน้อยหรือเลื่อมใสไม่พอก็ต้องดูไว้ทำไมศรัทธาของเราจึงมีน้อยแ้วก็ต้องมาสอบสวนที่ใจของเราแหละเพราะศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นผลประโยชน์ที่เราจะต้องได้เมื่อเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยผลประโยชน์ที่เราต้องได้เลยก็คือศรัทธาถ้าศรัทธาไม่เกิดเนี่ยเพราะอะไร อันนี้ที่เราจะต้องมาจับมาใสา่ใจให้ดีเพราะนี่เป็นทรัพย์ของเราแท้ๆเลยเป็นสมบัติของเราที่เราจะได้มากได้น้อยก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าตัวไนครั้งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรามีศรัทธาในพระองค์เนี่ยเพราะพระองค์เป็นยังไงพระองค์เป็นผู้ที่มีพระกรุณาหาที่สุดไม่ได้เป็นผู้ที่มีพระบริสุทธิ์และ เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้สามารถกำจัดโทษให้เราได้สามารถชักนำให้เราหาหาประโยชน์ได้ชักนำให้เราเข้าถึงประโยชน์ได้อย่างแต่จริงนนะสรุปว่าเป็นผู้ที่ป้องกันเราได้โดยประการทั้งปวงคือเป็นบุคคลที่ช่วยช่วยเหลือเราได้เราจึงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ช่วยเราได้จริงๆช่วยอะไรบ้างช่วยกันอาบช่วยกันป้องกันทุกข์ในโลกนี้ ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสอนอยู่ในโลกนี้จะไม่อยู่ด้วยความทุกข์เลยจะอยู่ด้วยความสุขแล้วโลกหน้าล่ะโลกหน้าก็ประสบสุขอยู่แล้วนะแล้วขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้ประสบสุขที่สูงสุดคือการตรัสรู้อริยสัจนี่นะพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นบุคคลที่กำจัดทุกข์ให้เราแล้วก็บำรุงความสุขให้แก่เราเพรา ะ, ะเราจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่าพระองค์นี้ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ พระองค์ช่วยเราได้จริงๆพรานเราจึงขอคบขอถึงขอรู้ขออย่างรู้เอาพระองค์นี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดน่วงเป็นที่กำจัดทุกข์และเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่เราทุกชนิดเป็นคนที่จัดแจงผลประโยชน์ทั้งมวลให้แก่เราพรานเราจะต้องเจริญศรัทธาตัวนี้ให้มากๆในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่กล่าวว่าการตามที่ตามเจริญศรัทธาที่มีในพระพุทธเจ้าก็แบ่งออกเป็นสามอย่างใช่ไหมในเฉพาะพระพุทธเจ้านั่นคือในพระปุพพจริยาคุณในสิ่งที่พระองค์ได้เคยประพฤติมากว่าจัต ร, สรัสโรเป็นพระพุทธเจ้าในพระสรีระคุณและในพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะอรหันตคุณเป็นต้นแต่ละบทแต่ละบทนี้จะต้องเจริญให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นอรหันตพระพุทธคุณทุกอย่างเทเท่าที่เราจะ เรียนรู้เท่าที่เราจะเข้าใจแต่ยังไงเราก็ไม่เรียนสามารถเรียนได้โดยสิ้นเชิงหรอกแต่ก็เรียนให้สมควรที่จะไม่ยากจนในอนะในการท่องเที่ยวไปในวัตตะต่อไปศรัทธาตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้เราข้ามออกจากอบายถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราข้ามอบายไม่ได้หรอกขณะเดียวกันอยากจะให้ไปเจริญอีกอันหนึ่งบอกว่า หมูสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะเนื่องจากเขาไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาจึงเกิดในอบายเนะเห็นสุนัขบอกพวกนี้ไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงเกิดในอบายเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นอะไรก็ช่างเถิดที่เรียกว่าสัตว์ในอบายพูมิให้รู้เถอะว่าเขาเหล่านี้คือผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยนะ เขาบอกว่าพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองเหลือเกินเ<ด>ข้าข้างาศาสนาตัวเองมากเกินไปมั้งใช่ไหมเมื่อไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าที่เรานับถือก็บอกแหมจะต้องไปอบายทั้งหมดพูดอย่างนั้นใช่ไหมคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีเหมือนกับว่าถ้าอย่างในโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าเหมือนกับแสงสว่างที่บอกให้เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ส่องสว่างให้เห็นโลกเนี่ย ชันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้ที่ส่องสว่างให้รู้ดีรู้ชั่วให้ละชั่วแล้วก็เจริญในคุณงามความดีถ้าหากว่าไม่นับถือผู้ที่ชี้แนะในคุณงามความดีและผู้ปฏิบัติในคุณงามความดีแล้วจะไปทําอะไรมันคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าสมาทานที่จะให้ใจผ่องใสใจขุนมัวยินดีที่จะให้ใจเนี่ยเป็นไปกับบาปและอกุศล ยอมเกลือกกลั้วให้จิตเป็นไปกับบาปอากุศลเนี่ยนะท่านเอกบาปอากุศล น, นี่แหละที่เรียกว่าเป็นความยากจนในธรรมวินัยนี้นะเป็นเป็นความยากจนนั้นผลของอกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะถ้านําปฏิสนธิก็คืออบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะะฉนั้นตัวอกุศลเหล่านี้นําปฏิสนธิในอบาย ขณะเดียวกันหลังจากนั้นอากุศลเหล่านี้ก็จะให้ผลในประวัติการหลังจากเกิดมาแล้วให้ผลได้ให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องไปเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีหมายความว่าสิ่งดีนี่หมดไปแล้วเหลือแต่สิ่งไม่ดีให้พบแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีให้รู้แต่กลิ่นที่ไม่ดีให้รับรู้รสที่ไม่ดีให้รับกระทบโธทัะที่ไม่ดีทาให ต้องไปเกลือกกล้วนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นผลของอกุศลผลของอกุศลผลของความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาแต่ถ้ามีศรัทธาก็ตรงกันข้ามเนยนะศรัทธาจะเป็นเครื่องชําระออกไปในศรัทธาที่ที่จะเกิดขึ้นได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแดนเกิดแห่งศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งศรัทธาเป็นที่เพาะศรัทธาขึ้น ถ้าไม่เจริญพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยยากที่ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เมื่อศรัทธาไม่เกิดใจก็กลายเป็นใจที่แข็งกระด้างใจที่แข็งกระด้างใจที่แข็งกระด้างคำพูดจะเป็นยังไงคำพูดก็กระด้างแล้วความความประพฤติล่ะความประพฤติก็กระด้างไปด้วยะนะถ้าแต่ภาษาธรรมะเขาใช้คำว่าความไม่สม่ำเสมอวางนนั้นนะ วิสมะนะคือความไม่สม่ำเสมอฉมันท่าใจที่ไม่มีศรัทธาคือใจที่ไม่สม่ำเสมอไม่เสมอด้วยอํานาจของโลภะโทสะทําให้ไม่เสมอแล้วก็คําพูดที่พูดออกมาก็เป็นคําพูดที่ไม่สม่ำเสม อ, อนะก็สังเกตดูนะว่าคําพูดที่เกิดจากกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะจะเป็นคําพูดที่สม่ำเสมอแน่นอนแต่คําพูดที่เกิดจากอากุศลจะเป็นคําพูดที่ ไม่สำำ ม, ม่ำเสมอเป็นคําพูดที่คดเนนะเป็นคาพูดที่คดเป็นคาพูดที่ไม่น่าปรารถนาเป็นคําพูดที่ไม่น่าพึงใจโดยเฉพาะทางร่างกายด้วยแล้วก็เป็นร่างกายที่คดเป็นความคดทางกายวาจาและใจเป็นความไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจผลของสิ่งเหล่านี้นาปฏิสนธิก็ปฏิสนธิในที่ที่ไม่ดีให้ผลในประวัติการหลังจากเกิดมาแล้วก็ประสบแต่ สิ่งที่ไม่ดีร้ายท่านเกิดมาในโลกนี้ประสบแต่สิ่งที่เลวรา้ายนะไม่ไปหนักใจเลยนี่เป็นเศษเศษเท่านั้นของอกุศลทั้งหลายอากุศลนี่มันเกิดที่ไหนก็เกิดที่ใจอดีตสั่งสมอกุศลเอาไว้มากอากุศลที่สั่งสมเอาไว้มากมันก็ให้ผลถ้าบุญมีถ้าบุญมีผลทำไมบาปจะไม่มีผลถ้าบาปมีผลทำไมบุญจะไม่มีผล แล้วบุญกรบบาปเนี่ยมันก็ต้องให้ผลอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นนิยามก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่ากรรมนิยามเป็นธรรมดาของของกรรมอ่ะนะเป็นความแน่นอนของกรรมมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำใจให้ผ่องใสในพระพุทธเจ้าได้นนะแล้วก็บำรุงศรัทธาอันนี้ของเราให้ดีนะทำอย่างไรเนาะเราจะ บำรงุงศรัทธาเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มขึ้นเพิ่มขึ้นบ่อยๆเอาแค่ไหนจึงจะพอถามว่าเราจะต้องปลูกศรัท ธ, ธาของเราอีกแค่ไหนจะต้องบำรงุงศรัทธาให้เจริญงอกงามอีกแค่ไหนเพราะผลประโยชน์ที่เราต้องการคือศรัท ธ, ธาเราจะต้องมีศรัท ธ, ธาแค่ไหนแค่ไหนจึงจะพอยองก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีศรัท ธ, ธาเขาไม่มาฟังรอกเขาว่างแล้วน้องมาก็เงียบเลยไม่รู้จะทํำยังไงต่อไป ก็เขามีศรัทธาเขาจึงมาเนี่ยเขาจึงฟังเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างเขามีศรัทธานะเขาจึงฟังมาก็ถามมาเออถ้าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าดูท่าจะไม่นานเท่าไหร่ทาไมรู้ปะเขาบอกถ้าสังเกตน้ําเสียงที่พูดเนี่ยฝืนตัวเองมากแล้วอะไรก็ตามที่ฝืนฝืนนี่จะไม่ทนนะเนีน่ยเพราะคนมันจะฝืนไม่ไม่นานหรอกใช่เหรอเหมือนทานอาหารเนี่ยนะเขบอกว่ากอบก็เพราะอะไรก็จะก็ทนทนบริโภคไปชั้นใด ผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันถ้าทําด้วยความฝืนนี่เรารู้เลยว่าไม่นาำสักด์เท่าไหรเนี่ยนะยังไม่ได้เหตุอันสมควรที่จะลาออกเท่านั้นเองรอดูเอ๊มันได้เหตุอะไรนะนจะได้เลิกเลิกสัทีนึ่งนะหาเหตุที่เหมาะสมก่อนมนะันกันน่ยนี่ก็เหมือนกันศรัทธาที่เราเจริญเนี่ยนะปัญหาว่าเราจะต้องมีศรัทธาแค่ไหนไม่ใช่ศรัทธาแค่ให้มาที่นี่เพราะศรัทธาที่ต้องการจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่า ศรัทธาของเราเมื่อไหร่เราจะบอกพอแล้วพอแล้วเต็มล้นแล้วเหลือเฟือแล้วเป็นผู้ที่มีศรัทธาเหลือเฟือเขาบอกว่าเราพอหรื อ, อยังหรือมองเห็นศรัทธาแค่น้อยนิดนะน้อยนิดเหลือเกินในใจของเราเนี่ยนะศรัทธาที่มีอยู่ในใจของเราทำไมน้อยเหลือเกินมีบางท่านนะเขาเสียใจว่าทำไมเขาจึงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อยจังเลยพระพุทธเจ้านี่มีคุณมากจริงๆเนี่ยนะแต่ทาไมเขาช่างมีศรัทธาน้อยนิด ทำไมศรัทธาของเขานี่มันอ่อนกําลังมันเล็กน้อยไม่สมควรในพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่เขาเสียใจเสียใจที่เขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าน้อยเวลาอารหางก็เฉยเฉยนะโมตสสะปะกวะโตอารหาโตก็ว่าไปเฉยเฉยอิติปิโสก็ว่าด้วยความแห้งแรงอย่างกับฝนในฤดู อ, อะไรนะอย่างกับแดดในฤดูเนี่ยเมษานี่แหละมันแห้งแรงแบบนั้นมันเฉาจะเฉาตายวันสองวันอยู่แล้วมันทําไมศรัทธาเขาน้อยเหลือเกินทั้งๆที่พระพุทธเจ้านี่มีพระคุณ พระคุณเนี่ยนะทั้งจริยาคุณทั้งพระพุทธคุณอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยมากมายเหลือเกินถ้าไม่พระองค์ไม่ทรงคุณขนาดนั้นเนี่ยพระองค์จะสอนอริยสัจทําให้ผู้อื่นบรรลุได้ขนาดนี้หรือพระองค์เนี่ยดีจริงๆแต่ทํำไมศรัทธาของเราช่างน้อยเหลือเกินที่มีในพระองค์เพราะความที่เราศรัทธาน้อยนี่แหละเราจึงจําเรื่องของพระพุทธเจ้าได้น้อยอนะเรื่องคนอื่นนะเอามาเล่ากันสามวันเนี่ยไม่มีจบมีสิ้น แต่ว่าเรื่องพระพุทธเจ้าเอามาเล่าแค่สามนาทีทําไม่มันหมดเร็วเหลือเกินเนี่ยประกาศถึงว่าน้อยมากน้อยมากที่เรามีศรัทธาในาพระพุทธเจ้าอันนี้แสดงว่าจนนะเนี่ยประกาศถึงความคนยากในธรรมวิในนี้ยากจริงๆเรียกว่าโจนจนขนาดจนไม่มีศรัทธาในาพระพุทธเจ้านะจนใจจริงๆเป็นใจที่ยากจนกันดานแห้งแล้งอะไรขนาดนั้นมันจะต้องเพิ่มภูมศรัทธ า, าให้มากๆขึ้นพัน ทำบุญก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ยินคําว่าอรหังก็ปีติเลยสัมมาสัมพุโทโธก็ปีติวิชาจารณะสัมปันโนก็ปีติสุขโตก็ปีติโลก็วิทูฟังแล้วก็ปลื้มเนี่ยนะอนุตรโรปุริสธรรมสาระทิฟังแล้วก็ขนลุกขนทันเป็นต้นเนี่ยนะสาถาเทวมนุษย์สานังฟังแล้วก็แทบจะลอยได้นะเบากายเบาใจไปหมดเลยนะเป็นต้นเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะ พันได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านี่ใ้สงบเยือกเย็นขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากแล้วนะถือว่ามากพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอก็ยังไม่มากพอทีนี้ถามว่าศรัทธาในพระธรรมเนี่ยนะเราก็บอกว่าโอ้ยศรัทธาในพระธรรมจึงได้ฟังธรรมแต่ถ้าเห็นพระไตรปิฎกเนี่ยเราบอกโอ้โหแต่ละเล่มเนี่ยน่าศรัทธาไปหมดเลย อันนั้นราบอกว่าได้ยินคําสอนอทุกเล่มเนี่ยหน้าเลื่อมใสไปหมดเลยขณะเดียวกันแล้วทุกสูตรหน้าเลื่อมใสหมดเลยแต่ละสูตรนี่ดีเหลือเกินหน้าผ่องใสฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมีความสุขไม่ใช่อวิชานั้นเรียนยากวิชานี้เครียดวิชานั้นก็ยุ่งอะไรเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าผ่องใสไปทุกทุกพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมีใจผ่องใสในทุกอักขระและพยัญชนะในคําสอน โบราณท่านถือว่าอักคระหนึ่งอักคระเท่ากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์พระพุทธรูปงามๆมีบางคนนี่ชอบมากใช่ไหมพระพุทธรูปงามๆหน้าตักห้านิ้ว7็ดนิ้วเก้านิ้วหรือหน้าตักใหญ่ๆแบบพระพุทธชินราชเป็นต้นก็บอกว่าเห็นแล้วก็เลื่อมสายเห็นแล้วก็พองใสเมื่อใดที่เห็นอักคระในพระพุทธพจน์เท่ากับพระพุทธรูปแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยนะมองแล้วหน้าพองใสเลื่อมสายเรียนหน้าศึกษาหน้าเล่าหน้าเรียนมากหน้ากําหนดจดจํา ทำไมยากจนถึงขนาดว่าไม่มีศรัทธาแม้กระทั่งที่จะบางคนเนี่ยบอกว่าจนถึงขนาดไม่มีศรัทธาที่จะอ่านบอกไม่อ่านละเห็นไหมแล้วก็ไม่มีศรัทธาที่จะฟังไม่มีศรัทธาที่จะกําหนดจดจาไม่มีศรัทธาที่จะบอกว่านี่แหละคือข้อปฏิบัติของเรานี่แหละคือแนวทางที่จะทําให้เราตรัสรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคําสอนเหล่านี้นี่แหละหลายท่านเนี่ยจนใจถึงขนาดว่าไม่มีศรัทธาที่จะอ่านไม่มีศรัทธาที่จะ ฟังแล้วก็ไม่มีศรัทธาที่จะทรงจำอันนี้ประกาศถึงว่าเป็นคนที่ยากจนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันจนทางใจจนนึกถึงพุทธพจน์สองนาทีหมดละงั้นถ้าอย่างนี้ถือว่าจนมากมั้ยคิดถึงทรัพย์สินของตัวเองอริยทรัพย์มีนิดเดียวนะมีศรัทธาในคำสอนนิดเดียวเนี่ยน่าเห็นใจขนาดไหนจนจริงๆเลยจนทางจิตใจแบบนั้นพวกจนทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณอนาถาไร้คาสอนนะ เรามาก็ว่าไปเรื่อยนะนะโดนตัวเองบ่อยมากเมื่อก่อนตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ว่างั้นกําลังเจริญอยู่ว่างั้นมันก็ตั้งใจว่าเออเมื่อใดนะที่ได้ยินคําว่าสวากขาโตว่ปีติเลยพระวินัยฟังแล้วก็ปีติพระสูตรฟังแล้วก็ปีติอรพิธรรมก็ฟังแล้วปีติปีติในพระวินัยทุกๆสิกขาบทเลื่อมใสในพระสูตรทุกๆสูตรเลื่อมใสในพระพิธรรมทุกคมภีร์ ในทุกอักขระและพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะเนี่ยนะเมื่อใดเนาใจจะเลื่อมใสขนาดนั้นแต่ทีนี้ถามว่าเรารอให้ศรัทธามันเกิดเองไหมหรือต้องสมาทานว่าฉันจะต้องเจริญศรัทธาอย่างนี้ให้ได้จะต้องมีศรัทธาเช่นนี้เรียกว่าศรัทธาในสวาขาโตพระวตาธรมโมเลื่อมใสในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลื่อมใสแม้กระทั่งในมรรคผลที่พระองค์สอนนําออกจากทุก ก็สมาทานศรัทธาอันนี้ให้ศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นทีนี้ถามว่าออาแล้วในพระสงฆ์หละเริ่มสายนพระสงฆ์เราเริ่มสายยังไงกลุมพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังเคื่ออนยากโกลทัญญา ก, าก็ปีติเลยเนะวัปปะพัทธิยามหานามะอัศชิแต่และท่านฟังแล้วก็ปีติว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยคุณ ตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะท่านมีหิริโอตปาเนีนะท่านเป็นผู้ที่ได้อริยทรัพย์ได้บรรลุมัทผลแทงตลอดโลกุตรธรรมตามพระพุทธเจ้าเราฟังแล้วเราก็พองใสนะเลื่อมใสในพระอัญญาโกณทัญญาฟังนะและลึกถึงพระอัญญาโกณทัญญะก็จิตก็สงบจากบาปอกุศลพระวปปะพัติยะมหานามะเป็นต้นหรือดีใจกับพรหมสิบแปดโกธที่เขา ฟังอ ร, รยิยสัจธรรมแล้วตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเลื่อมสายในอนัตตลักษณะสูตรเลื่อมสายในปัญชวัคคีที่ฟังอนัตตลักษณะสูตรบรรลุเลื่อมสายในพระยัสะพร้อมทั้งสหายห้าสิบห้าท่านเลื่อมสายในพัทวัคคีสามสิบท่านเลื่อมสายในพระชนินสามที่น้องพร้อมทั้งบริวารอีกสาสิท่านเลื่อมสายในพระเจ้าเพจพิมพิสารเป็นต้นพร้อมทั้งบริวารอีกสิบเอ็ดหมื่นเลื่อมสายในผู้ที่ตรัสรู้เพราะฟัง ติโรกุทธการตักขถาเนี่ยนะก็ผอ่องใสเลื่อมสายในพระพิสูจน์ที่มาประชุมกันสาวกสันิบาตใช่สาวกสันนิบาตในวัดพระเวรุวันอ่ะนะก็ฟังแล้วโอ้โหพันสองหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบโรฟังแล้วก็ผอ่องใสเลื่อมใสเลื่อมสายแม้กระทั่งในพระสาวกที่พระเจ้าสุดโททนะส่งมานะอามาตทั้งหลายเหล่านั้นพร้อมทหารที่มาฟังธรรมแล้วบรรลุ แล้วเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์เนี่ยสองห 0,000 ืน่นรูปที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปเมืองกระบิลพัทก็คือสรุปว่าเลื่อมสายหมดเลยนะเลื่อมสายหมดแม้กระทั่งเลื่อมสายในพระอริยาสาวกที่ท่านไปรวมกันตอนที่ถวายเพลิงพระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวกที่ท่านทําสังขยาเรียบเรียงพระธรรมวินยัยเลื่อมสายในทุกท่านที่สืบท อ, อดพระธรรมวินัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดมาจนถึงทุกวันทุกท่านเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของศรัทธาของเราหมดเลยนะเป็นศรัทธาที่เรียกว่ามากในพระพุทธเจ้าอผู้หาะอัปปาโนพุทโธในพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ในคําสอนที่มีคุณานุภาพที่ยิ่งใหญ่ในเลื่อมสายในพระอริยสงอ์เหล่านั้นผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัย มันศรัทธาของเราจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงกรว่ารวบ ป, ประมวลมาสุดท้ายว่าศรัทธาที่จะกำหนดรู้ทุกมีศรัทธาเลื่อมใสที่จะอะไรละสมุทไถมีศรัทธาที่จะต้องทำนิโรธให้แจ้งมีศรัทธาที่จะเจริญอริยมรรคพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านเห็นอริยสัจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากมายดังที่กล่าวไปก็คือสอน ให้เห็นอริยสัจให้รู้เข้าใจอริยสัจมรรสสัจกับนิโรสัจจะเป็นต้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เรานับถือท่านว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตีก็เนื่องจากท่านปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจเพราะนั้นเรามีศรัทธาจักต้องบรรลุอริยสัจให้ได้อ่ะฟังคําว่าอริยสัจใจก็พองใสเลยนะฟังคําว่าอริยสัจมันได้ยินคําว่าอริยสัจน้อมไปพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยได้ยินคําว่าเกิดนี่ก็ปีติเลย ปีติตรงไหนทำไมยึงปีติเอาไหมเอาฟังคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปีติเลยปีทำไมยึงปีติฮึมถามคำถามฟังคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปีติเลยนี่แหละคือปริญญยาธรรมที่เราต้องเข้าไปกำหนดรู้ฟังคำว่ากิเลสนี่ก็ปีติเลยนะเพราะจะต้องละมันให้ได้สักวันหนึ่งจะต้องกดหัวให้ขาดแน่นอนไอ้กิเลสเนี่ยนะ จะต้องถอนรากถอนโคนให้ได้พอฟังคําว่าพระนิพพานสักวันหนึ่งเราจะต้องทําให้แจ้งให้ได้แต่ที่จะทําปริญญาในกองทุกข์กุดหัวสมุทัยนี่นะคือตัณหาทั้งหมดได้ทําพระนิพพานอันนั้นให้แจ้งก็บอกว่าเศษซัพย์คือศีล น, นี่จําเป็นมาก น, นะนะเราจะต้องก็บอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นคําสอนที่เป็นไปตามลําดับเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะบอกว่าเป็นไปตามลําดับ ท่านเราจะต้องมีศีลสมาทานที่จะอบรมกุศลศีลเรารักษาศีลหรือว่ารักษาชีวิตสัตว์อื่น น, นะาานันะเมื่ อ, อวานก่อนอ่านจริยาปิฎกกขบอกว่าเราตามรักษาเีลเราไม่ได้ตามรักษาชีวิตของงัน้นนะก็เป็นผู้ที่ตามรักษากุศลเีลตามรักษาเจตนาเีลเจตสิกศีลสังวรเีลและอาวีติกมะศีล ท่านตามรักษาศีลเพราะศีลตัวนี้เนี่ยนะศีเลนะสุขติยันติใช่มเมื่อวานก่อนอครั้งก่อนที่พูดถึงศีลลัคาศีลเนี่ยนะทำไมเราจึงต้องตามรักษาถ้าตามรักษาชีวิตเนี่ยพ้นอบายไหมะนะโอ้ยรักษาชีวิตอย่างดีปกปกัปกรักษาป้องกันภยัยใครจะมาฆ่าเราเราต้องฆ่ามันก่อนอ้าวก็เรารักษาชีวิตเราเนี่ดูแลห่วงแหนมาถ้ารักษาชีวิตแล้วเนี่ยพ้นอบายไหมยอมว่าพ้นไหม ไม่พ้นเนี่ยนะเพราะหลายคนทําชั่วก็เพราะห่วงแหนชีวิตนี่แหละเนี่ยนะดูแลชีวิตธนุธนอมชีวิตยอมทําความชั่วเพราะเพราะชีวิตเพื่อชีวิตก็เลยทําทุกอย่างเพื่อดํารงอยู่แห่งชีวิตก็บอกว่าเพื่อชีวิตไงเพื่อชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ฆ่าเขาจะเลี้ยงชีวิตได้อย่างไงถ้าเขาไม่คดไม่โกงเขาจะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าเขาไม่ทําความชั่วเขาไม่สามารถมีชีวิตดํารงอยู่ได้ นั่นคือพูดแบบคนที่จะไปอบายนะนนี้ไม่ได้แช่งนะแต่เล่าพูดถึงเหตุถึงผลนำจริงว่าคนที่พร้อมจะไปอบายก็พร้อมที่จะทำความชั่วมีเหตุผลจนต้องทำชั่วแต่รวมๆก็เพื่อชีวิตนะเพื่อชีวิตก็เพื่อเพื่อเราอ่ะนะเพื่อเราตามรักษาตัวเองมาแต่ผู้ที่ตามรักษาเช่นนี้กลับเป็นผู้สาบแช่งตัวเองทีนี้คนที่ ถึงความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยคือผู้ที่ตามรักษากุศลศีลตามรักษากุศลศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศนนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดในสุขติมนุษย์ที่เราได้มาก็เพราะผลแห่งศีลถ้าเราไม่มีศีลเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้หรือถ้าเราไม่มีศีลมาก่อนเราจะอายุยืนขนาดนี้หรือถ้าเราไม่มีศีลเราจะมีทรัพย์ขนาดนี้หรือจะมีพวกทรัพย์พอได้ใช้ใจ่าย อ่ะนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ศึกษาพระธรรมขนาดนี้หรือถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยนะเราคงไปที่ไหนสังคมก็รังเกียจถ้าเราไม่มีศีลเราก็ถูกหลอกอยู่ตลอดเวลา น, นะเพราะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกมองหน้ากันไม่ติดหรอกถ้าเราไม่มีศีลมาก่อนเราก็คงปั๊มปั๊มเพอเพสติปัญญาเลอะเลือนถึงขนาดว่าฟังธรรมไม่ได้เนี่ยนะนั่งไปน้ําลายไหลยืดตกแผลอย่างเงนนะ นี่ก็แสดงว่าหนักเอามากนี้แต่ที่เราได้สิ่งเหล่านี้มาก็เพราะผลแห่งศีลของเราที่ดเราได้รักษามาผันถ้าเราจะตามรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไปเขารักษาที่ต้นเหตอุอย่างเหมือนอย่างว่าชาวโลกทั้งหลายที่เขามีค่าใช้จ่ายเขามีความสุขกับการใช้จ่ายแต่ที่เขามีจ่ายได้ก็เพราะมีที่มาคือรายได้มีรายรับ เขาจึงตามรักษารายรับถ้ายังมีการรับอยู่ก็มีให้จ่ายอีกต่อไปแต่ถ้ารายรับเสียหายหรือรายรับหมดสิ้นเมื่อใดรายจ่ายมั่นคงไหมไม่มั่นคงฉันใดกูสลวธรรมทั้งละชีวิตที่เราเป็นไปอยู่ทุกวันนี่คือการจ่ายแล้วนะจ่ายจ่ายด้วยการอยู่ในวัตตะจ่ายไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันจ่ายจนไม่รู้ว่าอีกหน่อยก็จ่ายจะไม่เหลือแล้วเหลือเหลืออะไรบ้งบกเหลือกระดูกเท่า น้อยนึงแล้วก็สุดก็เป็นผงอีกเป็นปุ๋ยเป็นแคลเซียมให้อย่างอื่นต่อไปเนี่ย น, นะสะรุปว่าจ่ายแน่นอนนะนี่คือการใช้จ่ายการที่เรามีชีวิตอยู่แต่ละวันนี่คือการใช้จ่ายจ่ายด้วยชีวิตไงแตบอกอะไรกลืนกินสัตว์ทั้งหลายบอกาการเวลาการเวลากลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเองทีนี้แล้วเราจะได้ชีวิตได้ความเป็นมนุษย์ต่อไปนี่อาศัยอะไร อาศัยศีลอาศัยศีลบางครันก็บอกอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เกิดอีกแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวบรรลุอะไรศีลก็ยังไม่มีเลยศีลก็ยังไม่รู้เรื่องมันเป็นยังไงว่างนันถ้าให้มาพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะเขาบอกว่าคุณจะบรรลุอะไรนรกยังปิดไม่ได้เล ย, เยนะาจจะบรรลุอย่างเดียวจะบรรลุอย่างเดียวคุณเอาอะไรมาบรรลุศีลก็ยังไม่มีเลยก็บอกว่าทำไมฉันจะไม่มีเพราะเนี่ยเห็นไหมฉันนั่งอยู่ไม่เห็นผิดศีลอะไรคุณรักษาศีลหรือว่าคุณรักษาอิริยาบทกันน่ ยอมรักษาศีลหรือว่ารักษาอะไรศีลคืออะไรคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรมมศีลเป็นต้นแล้ววันหนึ่งคุณล้วงเอาเจตนาที่เป็นศีลมาคิดกี่ครั้งนะนะอย่างศีลข้อที่หนึ่งเลยนะโทอีกครั้งว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาถามหาเจตนาที่อยู่ในใจเพื่อเว้นจากปาณาติบาได้กี่ครั้งนะนะมันงอกออกมากี่ที อันนะต้นศีลเนี่ยออกงอกมาบ่อยไหมเนี่ยนะอันนั้นคือตัวสาระตัวทรัพย์ที่จะนําออกจากอบายอั น, นิพ้านจงยกไว้เอาเอ า, อาปิดอบายก่อนมางั้นเธอต้นศีลเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดเราดึงศีลออกมาได้ไหมเราตามรักษาศีลหรือตามรักษาชีวิตผู้อื่นรักษาศีลแล้วเราเห็นศีลของเราบ่อยไหมอย่างสมมติขอมาเห็นป้าเพนสีปั๊บเห็นศีลของตัวเองอยู่ในนั้นไหมอา้าวป้าเพนสีมีชีวิตไม่ใช่หรือ ถ้าหากว่าบอกสิ่งเหล่านี้มีชีวิตเราต้องดึงเอากุศลศีลที่เว้นจากปานาฏิบัติมาให้ได้อันนั่นคือทรัพย์ที่เรามาสแสวงหาที่เรามาตามสมาทานเราเรารักษาเพราะฉะเห็นชีวิตของสัตว์อื่นทั้งหมดสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ใกล้หรือไกลก็ตามนั่นคืออารมณ์ของศีลของเรา อ, อารมณ์ของศีลของเราพูดไม่ค่อยถูกแล้วโยเป็นเอามากแล้วนะครับ พอถ้าจะแกล้งบอกเมื่อวานพูดเยอะไปหน่อย <c oughs> วันเราต้องตามรักษาศีลของเราให้ดีๆว่าศีลสิ่งเราเนี่ยชีวิตของสัตว์อื่นนั่นแหละคือที่เจริญงอกงามแห่งศีลของเราศีลของเราจะเจริญงอกงามได้ก็เพราะอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นถ้าไม่มีชีวิตของสัตว์อื่นเราจะมีศีลหรือเพราะมีชีวิตแห่งสัตว์อื่นนี่แหละเป็นที่สมาทานกุศลศีลของเรานี่จึง เกิดขึ้นนีนะสมาทานให้รักษาศีลมันปรารบก็บอกว่าตั้งคำถามว่าเราควรจะมีเจตนาที่เป็นศีลตัวนี้กับสัตว์กี่ตัวดีขอสมาทานศีลที่เว้นจากการฆ่าเนี่ยกี่ตัวอืเอากี่ตัวดีบอกทุกตัวเลยเนาะเอาทุกตัวเลยนะทุกใครเรียกว่าสัตว์เล็กทั้งหลายใดอะนะทั้งสัตว์ใหญ่ทุกชนิดว่า ง, งั้นเราขอขอขอศีล ที่จริงเนี่ยนะเขาชีวิตของสัตว์เนี่ยเป็นที่อาศัยให้เกิดประโยชน์นะเป็นที่ที่ทําให้เราได้ทรัพย์นะชีวิตของสัตว์ทุกชนิดเป็นที่เจริญงอกงามแห่งทรัพย์คือศียของเราเพราะฉะนั้นเห็นตัวหนอนก็ศียของเราเห็นยุงก็ยุงจะมากัดเราก็นี่ศียของเราบินมาแล้วเนี่ยนะดูว่าเราจะเอารักษาศียหรือจะรักษาอะไรกันแน่เห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นสัตว์ใดๆก็ตามรักษา เจตนาศีลว่าเราขอสมาทานวิรัติงดเว้นไม่ล่วงละเมิดปิดกั้นการทําปาณาติบาตโดยประการทั้งปวงใจตัวนี้แหละคือใจที่เป็นทรับเนี่ยนะปันใจตัวนี้เกิดบ่อยไหมก็เรียกว่าถามหาตัวศีลเรียกว่าบ่อคือใจเนี่ยนะขุดตัวศีลออกมาได้เท่าไหร่ใจนี้เป็นอายตนะใช่ไหมเป็นบ่อเกิดทั้นดึงกุศลศีลออกมาจากใจได้ไหมเอามาเพิ่มพูน เอามาเจริญเอามาทําให้มากนะเอามาทําให้มากนั้นถ้าใครสมท า, านตัวกุศลศีลเหล่านี้รักษากุศลศีลเหล่านี้เอาไว้ให้ดีโดยไม่เห็นแก่อย่างอื่นเขาก็จะปิดอบายได้นะแล้วกุศลศีลตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดในสุขคติใช่ไหมเป็นมนุษย์เป็นต้นเป็นเหตุให้อายุยืนแต่ถ้าเราไม่รักษากุศลศีลอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตามรักษากุศลศีลของเราเนี่ยนะ ก็อบายทุกขติวินิบาทนรกเป็นต้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อายุสัน้นเนี่ย น, นะเพราะเพราะอะไรเพราะไม่ตามรักษากุศลศีลมันเราต้องเห็นคุณคือกุศลศีลของเราแล้วข้อต่อไปอีกละสิ่งที่เราจะต้องรักษากีกุศลศีลของเราที่มีอยู่ในวัตถุของผู้อื่นทั้งหมดเห็นทรัพย์ของผู้อื่นนี่คือศีลของเราทรัพย์ของเราเนี่ยนะมันใช้เวลาคิดสักสมวันหมดไหม ทรัพย์ของเราที่มีอยู่ในโลกนะี้ใช้สามวันนั่งนึกเรามีเงินเท่านั้นมีบริวารอยู่เท่านู้นมีแผ่นดินอยู่เท่านู้นอย่างนี้เป็นต้นนะใช้เวลานึกถึงสามวันไหมไม่นะของว่าสามนาทีก็หมดแล้วมีอะไรจะนึกเล่านะ <c oughs> เมื่อมีคนละนิดคนละหน่อยที่เหลือมันทรัพย์ของใครก็ทรัพย์ของคนอื่นเอาทรัพย์ของคนอื่นแต่ฉันจะตามรักษาศีล เพราะฉะนั้นทรัพย์ของคนอื่นนี่ก็คือศีลของเราทรัพย์ผู้อื่นก็คือศีลของเราพันสมาทานในทรัพย์ของผู้อื่นทุกชนิดเพราะทรัพย์ของผู้อื่นเป็นอารมณ์ของศีลของเราพันเราขอรักษาเจตนาที่เป็นกุศลศีลเพื่องดเว้นจากทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของผู้อื่นก็จงเป็นทรัพย์ของผู้อื่นต่อไปเถิดเราขอรักษาเจตนาศีลของเราให้บริสุทธิ์ทรัพย์คือศีลตัวนี้แหละเป็นอริยทรัพย์ของเราที่เราจะต้องแสวงหานะ เพราะว่าถ้าเราไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นตรงไหนนะประตูอาบายเปิดตรงนั้นนะนั้นเราก็รักษาศีลก็คือเท่ากับปิดประตูอาบายพันถ้ามองว่าในโลกนี้คือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมากเราก็สมาทานงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นตามรักษาเจตนาเหล่านี้อยู่ร่ําไปตามรักษาเจตนาเหล่านี้ให้ยืดยาวมั่นคงและถาวรเนี่ยอันนี้คืออริยทรัพย์ของเรามันเราสมาทานครั้งเดียวควรพอเลยไหม เขาบอกว่าหลายคนก็บอกว่า э ه, เฮ้ยก็สมาทานแล้วเนี่ยสมาทานครั้งเดียวก็พอแล้วศีลบอกเวลาใครพูดอะไรบอกว่าข้าวนี้ก็ทานแล้วเมื่อวานก็ทานวานก่อนก็ทานปีที่แล้วก็ทานข้าวตั้งอันนี้ไปเลิกทานแล้พอแล้วเบื่อเต็มทีเพราะเราอะไรก็ทานมาแล้วนะน้ําก็ไม่ดื่มข้าวก็ไม่กินอะไรก็ไม่เอาแล้วเพราะอะไรก็เคยทํามาแล้วอารัตีกุศลเนี่ยนะทีข้าวไม่พูดอย่างนี้บ้างเลยนะบอกตอนเที่ยงบอกได้เวลาทานข้าวแล้วบอกไม่ทานแล้วเมื่อเช้าก็ทานมาแล้ว ตอนเย็นบอกเรียกทานข้าบอกไม่เอาอีกแล้วเพราะเมื่อเช้าก็ทานมาแล้วพรุ่งนี้เขาชวนทานข้าวอีกไม่ทานเมื่อวานทานมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ศีนี่บอกทำมาแล้วสมาทานแล้วแล้วเนี่ยภาษาถ้าเป็นบาลีนะบอกแล้วเนี่ยแปลว่าหมดแล้วนะแล้วเนี่ยแปลว่าไม่เหลือแล้วตอนนี้หมดแล้วจบแล้วหมดแล้วพันต้องหมั่นสมาทานหมั่นตามระลึกบ่อยๆว่าเราตามรักษาเจตนาศีล เมื่อก่อนสงสัยว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะมาทานศีลเสร็จแล้วเนี่ยท่านมาตามระลึกถึงศีลของสันของท่านได้ยังไงเป็นวันวันนี่คือโจทย์ที่สงสัยมานานว่าท่านสมาทานอุโบสถเสร็จนะท่านมาตามระลึกนึกถึงศีลของท่านของเรามีแปดข้อหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดราก็นับได้ครบหมดแล้วใช่ไหมใช้เวลามาถึงสองนาทีจบหมดแล้วและเวลาที่เหลือห้ากชั่วโมงสิบชั่วโมงเอาไปทําอะไรเอาไปคิดอะไรเพราะมีทรัพย์สนแสดงว่ามีสมบัตินี้เดียวจนมากถึงขนาดนั้น่นะนะ แต่ว่าคนที่มีศีลเกี่ยวกับเรื่องตานาติบาตเขาก็ใช้เวลานึกเป็นหลายๆชั่วโมงแล้วล่ะศีลข้อเว้นจากอาทินาทานก็ใช้เวลานึกอยู่หลายชั่วโมงศีลที่เว้นจากกาเมสุมิฉาจารก็ใช้เวลานึกอยู่มากแม้แต่ประพฤติพรหมจารย์ก็ใช้เวลาตามระลึกนึกถึงศีลเหล่านั้นเนี่ยอยู่เป็นอันมากเขาตามรักษากุศลศีลเหล่านี้มันเราเจริญกุศลศีลอันนี้เรียกว่ากุศลศีลทางกายเนี่ยนะจะต้องสแสวงหา ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเรียกว่าเป็นคนมีศีลอะไรแต่หมายถึงคนที่ตามรักษากุศลเจตนาอย่างดีและสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนรักศีลเป็นคนที่เพิ่มพูนศีลศีลเป็นอะไรเป็นภาเวตรประธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่ต้องเจริญต้องทำให้มีขึ้นจะต้องทำให้มากขึ้นนั่นตามรักษาศีเราตามรักษาทรัพย์คือ ศีลอันนั้นบอกว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์คือศีลอะไรน่ารักษากว่ากันนนบางคนเนี่ยตามรักษาทรัพย์ภายนอกจนทุศีลบางคนตามรักษาศีลจนเสียทรัพย์ภายนอกใจของเราบอกอะไรมีสาระที่สุดสาธุนะตอนฟังธรรมนี่ใช่แล้วมนะันตอนอื่นก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดสม่ําเสมอแล้วก็ตลอดไปเนี่ยนะก็ตลอดการแล้วก็ตลอดไปก็อย่างที่ถามว่าจะเอาบ้านหรือจะเอาศีล เขาบอกว่าจะเอาศีลหรือจะเอาบ้านมีเขาว่าเขก็มีเรื่องเล่ามาโยมเข้ามาปรึกษาทำ ม, มาเมื่อสองปีก่อนบอกท่านท่านบ้านโยมนะปลวกกินหมดเลยเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าโยมไม่ฉีดไม่ฆ่ามันนะบ้านโยมหมดแน่แล้วบอกว่าถ้าโยมฆ่าปลวกบ้านโยมก็เหลือแล้วบอกโยมจะเอาปลวกหรือเออก็ามาปรึกษาจะโยมจะทำยังไงดี บอกม่พอถึงขนาดนี้เราทำยังไงไปเป่าเป่าปลวกมันออก ท, ที่ไหนล่ะเอาไม้กวาดไปปัดปั ด, ปดแล้วปลวกมันออกที่ไหนบอกของมาก็ว่าแล้วแต่โยมเธอโยมจะรักษาศีลหรือว่าโยมจะรักษาบ้านก็ตามใจเนี่ยนะของมาไม่ออกความเห็นถ้าเของมาบอกว่าโยมไปรักษาศีลบ้านโยมมันพังโยมก็จะมาด่าพระว่าพระนี่แหละทาให้บ้านเสียหายหมดเนี่ยนะนะเดี๋ยวลูกหลานก็บอกเนี่ยก็จะมาโทษชวนกันมาโทษพระเอกีกมากกลัวเดี๋ยวเดือดร้อนอีกนะเดี๋ยวเดือดร้อนใจในตอนหลัง แต่ถ้าโยมตามรักษารักษาบ้านโดยยอมคาบปลวกชาติหน้าก็ยอมตกนรกไปยอมตกนรกยอมอายุสั้นก็ตามใจนะก็บอกจะบอกให้ฟังว่าเออเนี่ยถ้ารักษาศีลเนี่ยผลดีอย่างนี้นะตอนแรกเนี่ยนะว่าทรัพย์อาจจะเสียแต่ว่าศีลยังได้แต่ก็ต้องมั่นใจนะว่าโลกนี่อยู่ได้เพราะศีลและปัญญาสองอย่างนี้จะเลือกเอาอะไรระหว่างศีลกับบ้านเนี่ยนะก็แล้วแต่จะคิดเอากันแล้วกัน ลหลายท่านก็เชื่อเหรอยละเ9 9าสเลือกเอาทซั์ศีลเดี๋ยวก็สมาทานใหม่ก็ได้ขาดแล้วก็สมาทานใหม่สิจะไปยากอะไรก็เหมือนกขาบอกว่าคอขาแล้วขอต่อเอาใหม่ก็ได้มันเป็นไปได้ที่ไหนหลายคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดูว่ า, วาในโลกนี้ระหว่างชีวิตของของเราเนี่ยนะกับศีลอะไรน้ารักษาระหว่างทรัพย์กับศีล พวกข้ศัพย์กับอริยศัพย์คือสีลอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องตามรักษาอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องสมาทานปกปักรักษาอะไรคือสิ่งที่ช่วยเหลือค้ำจุนเราจริงๆเนี่ยนะอะไรคือสาระของเราจริงๆเราต้องการอะไรหรือเราต้องการรักษาพวกท้ศัพย์หรือเนี่ยนะนี่ต่อไปครับแต่บอกว่าในโลกนี้เนี่ยเทางวาจาเนี่รักษายากมาก มันถ้าเมื่อใดที่เราตามสมาทานรักษากุศลศีลทางวาจาเพราะทุก ท, ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการพูดเท็จหมดเลยทุกเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งการพูดเท็จหมดนะพูดไม่จริงเนี่ยนะไอ้พหุคำพูดที่ไม่จริงนี่แหละเป็นเหตุให้ไม่บรรลุความจริงคืออริยสัจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคำพูดที่จริงจะต้องมีองค์ประกอบนะแต่เราต้องรักษากุศลเจตนาว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งนั้นต้องเป็นความจริง แต่ความจริงเหล่านี้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดความจริงเหล่านี้ถ้าไม่ดีก็ไม่พูดความจริงเหล่านี้ถ้าเราพูดแล้วเราไม่เจริญในกุศลธรรมเป็นต้นเราก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเราต้องพูดแต่ความจริงแล้วความจริงที่พูดต้องเจริญอย่างเดียวพูดแล้วต้องไม่เสียใจในภายหลังแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอย่างศีลทางวาจาข้อต่อไปก็คือคนเนี่ยนะอันเนี่ยพวกที่ที่เจอเจอกันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการส่อเสียดหมดเลยนนเราพูด เขาบอกว่าคนเนี่ยชอบนั่งสองคนแต่คุยถึงคนที่สาม น, นะเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกร้าวกันเนี่ยนะมันเป็นอาหารที่อร่อยมากเลยนะเขาบอกว่าต้องมีแพะมาสังเวยสักตัวหนึ่งยิงสนุกใช่ไหมมีเครื่องเส้นนนัชั้นใดก็ดีมู่คนทั้งหลายจะชอบพูดถึงบุคคลที่สามเมื่อพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ว่ า, าถ้าพูดถึงความเลวของบุคคลที่สามคนก็ชอบฟังนะ มันเหมือนเขาเรียกว่าปลาเน่าเนี่ยมันเป็นอาหารของแมลงวันฉันใดนะคนชั่วก็จะชอบฟังแต่สิ่งที่เลวร้ายฉะนั้นถ้ายิ่งแบบมีข้อมูลความเลวของผู้อื่นเท่าไหร่ก็ดูถึงเราเก่งมากเก่งมากเราเนี่พิเศษจริงๆนะนะสามารถล่วงรู้ถึงความรับความเลวร้ายของคนอื่นแต่เชื่อเหอะถ้ารู้ความเลวของคนอื่นเท่าไหร่ไกลนิพพานเท่านั้นนะนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เลวน้อยกว่าคนนั้นสักเท่าไหร่หรอกเชื่อเหอะ สภาพจิตของเราอะนะเพราะเราสแสวงหาเสาะหาที่เรียกว่าเจาะลึกแต่ความเลวของคนเนี่ยนะถ้าเราเจาะลึกขนาดไหนก็แปลว่าเราก็แสดงว่าถ้ามันเหมือนกับปลาเน่าใช่ไหมสิ่งที่ชอบปลาเน่าคือมแมลงวันกับตัวหนอนมันที่ที่จะชอบชอรชัยเจาะลึกความเลวร้ายก็ลักษณะเดียวกันก็คือตัวหนอนนั่นเองนะเราก็ ถึงมีนิสัยแห่งนอนอยู่ในตัวเนี่ยนะชอบชอนชายเจาะลึกไปในสิ่งที่เลวร้ายนี่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะอย่างต่อไปอีกถึงเราพูดชมบุคคลที่สามเราแน่ใจนะว่าเราชมชมชมอะไรนะไปชมศัตรูให้ศัตรูฟังดีไหมนะเขาบอกว่าวิธีจะส่อเสียดให้คนมันแตกแยกกันบอกง่ายมากไปชมคนที่เป็นศัตรูให้ศัตรูฟังบ่อยๆเถอะ รู้ว่าสองคนนี้เขาไม่ชอบกันนะสมมติน ะ, ะสมมติสมมติยก ต, ต, ตัวอย่างสมมติป้าเพนซีกับคุณอุไรสมมติทําไม่ถูกกันนะสมมตินะขอมาก็ไปเจอพี่อุไรปั๊บก็ชมแต่ป้าเพนซีเลยนะไปเจอป้าเพนซีก็ชมแต่เรื่องพี่อุไรไม่นานสองคนนี้จะแตกกันแตกชนิดเรียกว่ามองหน้ากันไม่ติดด้วยเพราะอะไร <S <S เพราะชมศัตรูให้ศัตรูฟัง น, นะยิ่งฟังเนี่ยรับว่ายิ่งปะทุยิ่งฟังยิ่งเดือดเนี่ยนะเหมือนกับโปรยเกลือลงไปในไฟ เพราะการพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยจะต้องคำนวณให้ดีๆมากๆเลยคำหนึง่งให้ดีให้เพียงพอเพราะพูดไปพูดมาเนี่ยใจที่ส่อเสียดนี่จะเกิดขึ้นให้เขาแตกกันถ้าเขาแตกกันเราก็จะได้บางคนเนี่ยนะถ้าคนอื่นเขาแตกกันเราก็โก้ขึ้นน่ะหมายความว่าคนก็จะได้ชอบเราเพราะเหตุผลที่คนส่อเสียดก็เพื่อเราจะได้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ หลายหลายคนที่ที่อยู่คลองชีวิตอยู่เนี่ยนะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมากมายก็เกิดจากการพูดถึงบุคคลที่สามนะอยู่กันสองคนคุยแต่เรื่องคนที่สามคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยด้วยเหตุผลรวมๆแล้วก็คือส่อเสียดดีๆนี่แหละไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยไปที่ไหนก็มีแต่ความแตกร้าวกันมีแต่ความขาดความสามัคคีการขาดความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเป็นต้น เพราะถุกคนก็ขาดเมตตาต่อกันเห็นะฉะพัน อ, อีกคนหนึ่งฟังว่าอีกคนหนึ่งพูดถึงตัวเองในฝ่ายลบอีกคนหนึ่งจะเอาคืนบ้างไอ้คนนั้นมันดีแค่ไหนเนี่ยนะมันะมก็เริ่มนะที่มาของการลบหลู่คุณท่านที่มาของสารพัดเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะเขามาอยา ก, กนแนะนำตรงนี้ให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีที่สุดคุยกับผู้ใดถ้ามันไม่ใช่ธุรกิจอะไรก็คุยกันแค่เรื่องสองคนก็พอแล้วระวังคนพูดกับคนที่ ฟังระหว่างคนฟังกับคนพูดอยู่แค่นั้นแะพอแล้วถ้ามีธุระก็คุยกันขนาดนั้นถ้าไม่มีก็คุยอริยศาสตร์ต่อไปเถอะคุยระถาวัตถุ10ล ป, ประการศีล ส, สมาธิปัญญานั้นการพูดคุยถึงบุคคลที่สามโดยมากใจเราก็ไม่ปกติพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ส่งใจไปในเรื่องคนอื่นใจจะห่างไกลาจากสมถะและวิปัสสนาเวนแต่คิดเรื่องคนอื่นถ้าคิดให้มากแล้วได้ดีนะใครรู้บ้าง พระพุทธเจ้าตามคิดเถอะอันนี้ดีอย่างเดียวพระธรรมคิดให้มากๆ ก, ก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ตามคิดมากก็ยิ่งดีและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตามคิดถึงคนอื่นนะพระพุทธเจ้าแนะไว้หข้อถ้าจะคิดถึงคนอื่นนะคิดว่าเขาตายแน่ยังไงเขาก็ตายอีกไม่นานเขาก็ตายแล้วเขาเรียกว่าเจริญมรร า, านุสติอันนี้ดีเรินหรือไม่ก็ไม่เจริญมรณ า, านุสติก็เจริญเมตตา ขอให้มีความสุขนะลองคิดให้คนอื่นเ้ามีความสุขดูสักวันสองวันดูสิจะเป็นยังไงนะคิดถึงอวยพายอวยพรให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญเนี่ยนะถ้าคิดลักษณะนี้มากๆดีคิดด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาดีแต่ถ้าคิดในแง่อื่นไม่ดีการพูดถึงคนอื่นก็ลักษณะเดียวกัน สังคมที่ขาดความเมตตาในที่สุดนำมาสึ้นความร้าวรานแต่ความสามา ก, กีก็คืออยู่กันสองคนแล้วคุยถึงคนที่สมเนี่ยนะอันนี้คือตัวที่สร้างปัญหามากในที่สุดคนพูดนี่แหละนะจะน้ำตาคลอเบ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองพูดด้วยอำนาจของมิจฉาวาจาอากุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเวลามันเกิดมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วย อากุศลทุกชนิดนะมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยโทสะนี่มันก็มีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันเต็มใจที่จะเป็นแบบนั้นนะมันพอใจมากเท่าก่าภาษาไทยก็สะใจเนี่ยนะฉันทะแปลว่าสะใจมากนะมีความสะใจเต็มที่อยู่ในสิ่งนั้นโลภะก็ลักษณะเดียวกันมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันเวลาที่อากุศลมันหมดไปแล้วนะพอสติสตังเกิดขึ้นมาบ้าง มันระลึกว่าทําไมเสียหายขนาดนี้ทําไมมันเลวร้ายขนาดนี้บาปอากุศลทั้งหลายพาะะนันสมาทานเธออ น, นะอยู่ด้วยกันถ้าอยู่กันสองคนก็คุยกันเรื่องเราสองคนเท่านั้นเนี่ยนะพยายามตอนหลังนี้เห็นไหมกระทั่งกลุ่มที่ศึกษาธรรมะนี่แล้วแล้วกลุ่มอื่นหอกก็ามารู้จักคนไม่กี่กลุ่มหรอกแต่ว่าทําไมรู้ไปเอามาทําไมมันไม่มีเมตตาต่อกันเลยแต่ก็รู้แล้วสาเหตุเกิดจากการอยู่สองคนคุยแต่เรื่องที่สาม น, นะถึงจะคุยชม ก็ชมศัตรูให้ศัตรูฟังถ้าคุยตําหนิก็ดีเหมือนกันจะได้หาเรื่องได้สัทีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะมันสรุปตรงนี้ระวังให้ดีๆเพราะ บ, บุคคลอื่นคืออารมณ์แห่งศีลของเราเราจะพูดถึงสิ่งใดนั่นคือศีลของเร า, เานะจะต้องตามรักษาศีล น, นะเราจะต้องประพฤติให้เป็นสุจริตเราจะพูดถึงบุคคลใดเราก็ต้องพูดด้วยศีลถ้าหากว่าเขาเลวถ้าเขาไม่ดีจริงๆอ่ะแล้วเราต้องเลวเหมือนเขาไหม ไม่ต้องเราสมาทานที่จะรักษาศีลของเราว่าขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยถ้าได้ฟังเรื่องของคนเลวคนไม่ดีขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยถ้าฟังเรื่องของคนดีขอเราจงเป็นเช่นนั้นบ้างขอให้มีอัธยาศัยที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อความชั่วจริงๆแล้วก็สมาทานที่จะประพฤติคุณงามความดีนั้นสิ่งที่เราพูดถึงบุคคลที่เราพูดถึงเรื่องราวที่เราพูดถึง มันได้ประโยชน์อะไรแก่เราในชาตินี้บ้างได้ประโยชน์อะไรแก่เราในชาติหน้าบัางเมื่อเราพูดถึงคนนั้นอย่างนี้บ่อยๆเราใกล้นิพานขึ้นไหมตั้งคําถามแบบนี้บ่อยๆพระพุทธเจ้าท่านพระองค์จะชมเราไหมว่าเออเธอนี่เก่งจริงเลยที่รู้ข้อมูลของคนนั้นพวกกระเบียดนิ้วชมไหมพระองค์สังเวชใจะนะเราหน่าสาับสนนะนะสัพเพสาตาแทนทุกเรื่องที่เราคุยเนี่ยจะต้องระวังเพราะ ทุกอย่างที่เราพูดถึงคือศีลของเราคําพูดที่หลุดออกไปหนึ่งคำเนี่ยจะทุศีลหรือมีศีลก็อยู่ที่วาจาเมื่อใดที่เรียกว่าพูดมิจฉาวาจาเนี่ยนะเช่ ed, a, นเท็จหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคําพูดของเราควรจะมีค่ากี่บาทติหรือว่าพูดทั้งวันเนี่ยนะพูดทั้งวันแต่ได้ไม่กี่ตังเงี้ยเขาบอกว่า เราต้องเป็นคนประเมินราคาวาจาของเราเองว่าคําพูดที่เราพูดดีเนี่ยควรมีคุณค่าเท่าไหร่เราพูดเลวร้ายเนี่ยนะควรจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยนะเขบอกว่าพูดกุศลพูดสัมมาวาจาหนึ่งครั้งควรให้รางวัลเท่าไหร่มีคุณค่าเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่คนที่ฉลาดทั้งหลายเขาคิดอย่างนี้นะเขาบอกว่าสัมมาวาจาของเขาเนี่ยตีมูลค่าหาประมาณไม่ได้ มิจฉาวาจาของเขาบอกว่าโทษหาประมาณไม่ได้เหมือนกันสัมมาวาจาเป็นเหตุให้เขาเกิดในสุคติโลกสวรรค์มิจฉาวาจาทําให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเราตกนรกจะ ต, ต้องเอาเงินเท่าไหร่ไปจ่ายให้เกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นวาจาที่เขาพูดเนี่ยมันมีค่าหาที่สุดไม่ได้เพราะจะตกไปสู่อบายก็วาจาที่พูดออกไปจะคือเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เพราะ วาจาเพราะฉะนั้นเขามองวาจาเนี่ยคือประตูสวรรค์และประตูนรกเนี่ยนะล้มนรกจะเปิดก็อยู่ที่วาจาของเราประตูสวรรค์จะแง้มออกมาก็อยู่ที่วาจาของเรามองวาจาที่พงาบพงาบแต่ละคำลิ้นตะบัดไปตะวัดมาเนี่ยนะลิ้น3นิ้วเนี่ยอันตรายที่สุด น, นนะนบอกอะไรดีที่สุดในโลกก็บอกลิ้นอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกก่อลิ้นอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นดูสิว่า เราจะรักษากุศลธรรมเหล่านี้ได้ขนาดไหนอย่าลืมว่าถ้าเราตั้งใจงดเว้นหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือทรัพย์ของเราตั้งใจที่จะพูดสัมมาวาจาอันนั้นก็เป็นทรัพย์ของเราพันพยายามที่จะประพฤติรักษาอาริยซัพย์ให้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นซับจริงๆพันคนที่รักษาทรัพย์ตัวนี้ไม่ดีโดยมากเสียใจในภายหลังขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้าทรัพย์คือวาจาตัวนี้ใช้ไม่ดี ทรัพย์อื่นๆร่วงหมดเลย น, นะทรัพย์คือสุตตะก็ไม่ใช้ไม่ได้ทรัพย์คือจาคะก็อดทรัพย์คือปัญญาก็เสียหายทรัพย์คือศรัทธานในพระรัต น, นตรัยเป็นต้นก็ยากพระ อ, องค์บอกว่าคนที่ฟังธรรมแล้วไม่บรรลุคือคนประเภทไหนรู้ไหมคนที่พูดมากคนที่พูดมากก็ไม่สมควรที่จะยังลงสู่สัมมตัญญาามเมื่อฟังธรรมเพราะอะไรเพราะคนที่พูดมากพูดอะไรมากถ้าจําพระพุทธพจน์แล้ว พูดตามพุทธพจน์ทั้งวันอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพูดมากแต่พูดมากก็คือทุกคำที่พูดออกมาไม่มีกุศลอยู่ในนั้นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่เนี่ยคำพูดที่พัน ง, งาบ ง, งาบขาไ ก, กลมันหนีขึ้นหนีบลงอย่างนี้นละก็ดูเอาว่าสมควรจะเกิดที่ไหนดีมันเมื่อใดนาที่เรามองว่ามิจฉาวาจาเปิดประตูอบายสัมมาวาจาเปิดประตูสวรรค์ ขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าตั้งใจไว้ว่าซัพ์คือเว้นจากมิจฉาวาจาซั์อันนี้จะช่วยให้เราแทงตลอดพระนิพพานซับที่เราตั้งใจพูดสัมมาวาจาซัพ์อันนี้ช่วยให้เราแทงตลอดพระนิพพานถือเอาเธอว่านี้คือสาระของเราตามรักษาเอากุศลศีลกุศลเจตนาเหล่านี้เพื่อเป็นเหตุให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ตั้งใจเอาไว้ให้ดี เพราะซับอันนี้คือซับที่สาคัญมากที่เราจะต้องรักษาในบรรดามรแปดเนี่ยนะสัมมาวาจาเนี่ยเป็นหนึ่งในแปดที่สาคัญมากเนี่ยนะถ้าขาดมิจฉาวาจาอย่างเดียวบรรลุมรผลไม่ได้มันศีลคือสัมมาวาจาก็สาคัญมันสมาทานที่จะประพฤติรักษาศีลเราจะพูดถึงสิ่งใดก็ต้องพูดด้วยกุศลศีลเสมอ นนะชีวิตสัตว์อื่นก็เป็นศีลของเราทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นศีลของเราคู่ครองของผู้อื่นเป็นต้นก็เป็นศีลของเราขณะเดียวกันต่อไปสิ่งที่เราพูดถึงทุกชนิดคําพูดที่เราพูดทุกคําเป็นศีลของเราเนี่ยนะอันนี้คือศีลที่เราจะต้องรักษาการศึกษาพระธรรมการฟังพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยมันเป็นการฟังเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์เหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ชมคนที่แตกฉาน มากจนเสียทรัพย์คือศีล น, นะระหว่างปริยัติกับศีลพระองค์ชมอะไรที่สุดสองอย่างพระองค์ชมศีลเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดทั้งหมดเพื่อศีลดอกไม้มีสีสวยแต่ไร้กลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตก็ฉันนั้นถ้าสําหรับผู้ที่ไม่เอาไปปฏิบัติตามแต่นะดอกไม้สีสวยแต่ไร้กลิ่นหอมก็เหมือนกับพระพุทธพจน์เนี่ยปกติพุทธพจน์ก็งามอยู่แล้วละ่ะ แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เหมือนกับดอกไม้ที่ไร้กลิ่นเนี่ยนะเป็นดอกไม้พลาสติกดอกไม้กระดาษเนี่ยนะซึ่งไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่พุทธพจน์ใดที่บุคคลเอาไปปฏิบัติตามก็เหมือนกับดอกไม้ที่มีสีสวยและมีกลิ่นหอมฉะนั้นเนี่ยนะ พ, นพระองค์นิชื่นชมการปฏิบัติเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสอนเพื่อการปฏิบัติทีนี้เราจะปฏิเสธคําสอนไม่ได้ถ้าเราไม่รู้คําสอนแลเราจะปฏิบัติ ถูกได้อย่างไรพูดอย่างนี้บอกฉันจะปฏิบัติและฉันจะไม่ศึกษาแล้วอันนั้นก็เลยทงไปอีกอันนั้นก็เกินไปเพราะการศึกษาที่ถูกต้องการฟังคําสอนที่ถูกต้องผลเหล่านั้นก็คือการปฏิบัตินั้นเวลาที่เราปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถามดูว่าศรัทธาเราเพิ่มไหมอ่า น, นะปีและที่แล้วกับปีนี้คําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสองคำนี้มันต่างกันยังไง น, นะก็ถามที่ศรัทธาของเราเองว่าเราต่างกันไหม ธรรมังสรารนังคัจฉามิหรือธรรมะธรรมะเนี่ยนะปีที่แล้วกับปีนี้หรือเทียบหลา ย, ลายปีก็ได้สังขังสรารนังคัจฉามิหรือสุปฏิปันโนภควะโตถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยต่างกันอย่างไรในความรู้สึกของเราเจตนาที่เว้นจากปาณ า, าติบาสคงตัวหรือเพิ่มขึ้นกุศลศีลที่เว้นจากปาณ า, าติบาสกุศลอันนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงกุศลที่เว้นจากอธินาทานกุศลตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงกุศลที่เว้นจากมุสาว ะ, ะกามีสุมิจฉาจาร์หรือกุศลที่เว้นจากการประพฤติอภิรมจร์เนี่ยตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคำพูดที่เราพูดเนี่ยนะกุศลเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็มาสอบถามเอาเรียกว่าพิจารณาถึงความเสียหายของตัวเองและพิจารณาถึงคุณธรรมที่ตัวเองได้จเจริญขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบาป ท, ที่จะให้เกิดการ ตรัสรมรรคผลถ้าบาดคือศรัทธาและศีลไม่ดีการตรัสรมรรคผลเป็นไปไม่ได้กุศลเหล่านี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมทีนี้เมื่อกุศลและธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งเอาใหม่ขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานานะก็เอากุศลทุกๆ ก, ก, กุศลนั่นแหละเพื่อมรรคผลนิพพาน ตั้งจิตไว้เลยว่ากุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานกุศลที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานกุศลที่เลื่อมใสในพระธรรมขอกุศลจิตศรัทธาที่มีศรัทธาในพระธรรมขอศรัทธาเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานศรัทธาที่เรามีในพระสงฆ์ขอศรัทธาอันนี้จงเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพาน ศีลเจตนาศีลที่เว้นจากปาณาติบาตกุศลศีลอันนี้ขอจงเป็นไปเพื่อมรักผลผนิพพานกุศลศีลที่เกิดจากการเว้นจากอธินาทานกุศลศีลอันนี้ก็จงเป็นไปเพื่อมรักผลผนิพพานชนผู้ต้องการรัตนะเนี่ยนะหมายความว่าเครื่องประดับที่งามที่ใหญ่ที่ดีประเสริฐนเะนี่ยนะเขารวบรวมทรัพย์อย่างมากจึงซื้อรัตนะอันมีค่านั้นได้ฉันใด เราทั้งหลายก็รวบรวมศรัทธาที่จากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวบรวมกุศลศีลที่เกิดจากเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นเพื่อซื้ออริยมรักนะเพื่อจะซื้ออริยมรักขึ้นก็เรียกว่ากุศลธรรมเหล่านี้จงเป็นไปเพื่ออริยมรักกุศลที่เกิดเหล่าเนี้ยเป็นการซื้อมรักซื้อผลเพื่อให้แทงตลอดพระนิพพานเป็นเหมือนกับสเสบียงทางเป็นต้น อันถ้าเราไม่ไม่เจริญงอก ง, งามในกุศลธรรมเหล่านี้ให้รู้เถอะว่าพลาดแน่นอนจากการศึกษาถึงเราจะเรียนมากอ่านมากอ่านพระไตรปิฎกมากี่รอบ ก, ก็ช่างเถอะฟังมากี่ร้อยชั่วโมงก็ช่างเถอะถ้าศรัทธาในพระธรรมไตรัยไม่เพิ่มพลาดถ้ากุศลศีลไม่เพิ่มก็พลาดจะต้องพลาดเนี่ยนะเก่งเหลือเกินฉลาดเหลือเกินแต่ว่าตกกระปองนี่ดีไหมพันทางโลกเนี่ยนะคนเก่งคนฉลาดเขาก็ถือเอาโพกซัพย์เป็น เป็นหลักว่าเออถ้าหาว่าดีจริงเก่งจริงคุณก็ต้องหาพ่อกระซับเลี้ยงเลี้ยงชีวิตได้เลี้ยงครอบครัวได้สิเรียกว่าคนเก่งทางโลกฉันใดคนที่เก่งทางธรรมก็ฉันนั้นเป็นคนที่สแสวงหาอริยสัพย์จะต้องเพิ่มภูมด้วยอริยสัพย์ไม่ใช่เรียนไปเรียนมากลายเป็นคนไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าซะเองมีอาจารย์ที่สอนพระไตรปิฎกบางคนบอกคุณเชื่ออะไรมากมายขนาดนั้นก็ว่าคุณเชื่อมากขนาดนั้นเลยหรือ เนี่ยเป็นคนสอนพระไตรปิกนะบางคนนะบอกคุณเชื่อเรื่องศีลมากขนาดนี้มันมากเกินไปมั้งอันนี้แปลว่าคนจนในอริยวินัยจริงๆนะจนถึงขนาดจนไม่มีศรัทธาจนใจขนาดไม่มีศีลแล้วสุตะที่เขาได้มาจะมีประโยชน์อะไรสิ่งที่เขาฟังมาก็ฟังเพื่อฆ่าตัวเองตลอดเวลาฟังเพื่อมีข้อมูลไว้ให้ตัวเองเสื่อมศรัทธาจากพระธรรมตรยัย ฟังเพื่อตัวเองจะได้ทุ่ศีลมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วจากะปัญญาเป็นต้นเขาไม่มีเลยเพระองค์ตรัสไว้ในกรปริละสูตรใช่ไหมว่าเขานี้เข่าจริงๆเขาไม่รู้หรอกเขาจะต้องจากที่มืดสู่ที่มืดอีกเท่าไหร่จากคันสู่คันหมายความว่าจากท้องหนึ่งจากไส้หนึ่งไปเข้าอีกท้องหนึ่งไส้หนึ่งจากท้องสู่ท้องจากคันสู่คันจากที่มืดสู่ที่มืดอีก ขนาดไหนหนอะเขาไม่สงสารตัวเองหรืออย่างไรหนอมันน่าคิดนะว่าการที่เขาได้พบพระัตนะไตรเนี่ยนะมันถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาอย่างมากแล้วถ้าเขายอมให้ศรัทธานในพระัตนะไตรเสื่อมหายไปเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยอย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะก็แบบสุ ป, ปะพุทธกุฏิก็ยังดีใช่ไหยสุ ป, ปะพุทธกุฏิเนี่ยท่านมา สมท า, านศรัทธาศีลสุตะจาระและปัญญาสุ ป, ปะพุทธากุติจึงเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาพันเราจะต้องสแสวงหาสาระอันนี้ให้ได้นนะอย่างน้อยกอ็ให้ได้เจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะในเนี่ยสุ ป, ปะพุทธากุติก็ไปประกาศตนว่าเป็นผู้ถึงไตรสรนคมจากพระพุทธเจ้า พอหลังจากที่ตัวเองไปสมาทานเป็นผู้ถึงไตรสรณคมต่อหน้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็หลีกออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าไปใช่ไหมในหน้าห้าร้อยเก้าย่อหน้าล่างบอกว่าพระกวโตภาสิตังอภินันทิตวาอนุโมทิตตวาความว่าครั้นสุปปพุทธมีใจบันเทิงพระดํารัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อจะประกาศตนว่า บันเทิงพระดํารัตนั้นจึงอนุโมทนาด้วยวาจาโดยในดังกล่าวแล้วครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเบญจัง่าประดิษฐ์แล้วกระทาประทักษิณสามรอบมีใจน้อมไปในคุณของพระาศาสดาพลางเพ่งดูประคองอัญชลีน้อมนมัส ก, การพระผู้มีพระภาคเจ้าจนลับสายตาจึงหลีกไปแสดงว่าอะไรนะเดินจากแบบคนคอยชเง้อชะงแลดูอยู่นั่นแหละนะ แลดูเหลียวดูอยู่นั่นแหละจนกว่าจะล่วงพ้นจากคลองแห่งจักสุนะบางคนนี่ไปไหว้เจดีนี่เป็นอย่างนั้นนะเดินมาหน่อยก็เหลียวดูกลับไปดูเดินออกมาหน่อยก็เหลียวกลับไปดูพระเจดีเดินจากไปหน่อยก็เหลียวดูพระเจดีบางคนนี่บอกโอ้ยดูครั้งเดียวก็พอแล้นะก็ต่างกันอย่างนี้แหละโอ้ยทําเหมือนกันก็มีแต่พระอริยะมังเนาะสัตว์โลกมี อ, ะ, อะไรนะนาณาธ า, าตุโยคือธาตุต่างกันเป็นต้นนะนะ พูถึงสุ ป, ปะพุทธะผู้หลีกไปตัวเองซึ่งมีมือเท้าและนิ้วเนี่ยด้วนเพราะโรคเรือนครอบงําโอยด้วนไปหมดเลยนะก็นิ้วนิ้วเนี่ยมันหลุดเป็นข้อๆเลยนะคนเป็นโรคเรือนเนี่ยมีตัวนี่เปื้อนคูดคือเปื้อนอุจระนะก็อย่างว่านะร่างกายของเราก็คือแหล่งนี้อยู่แล้วแหละซึ่งมีแต่ของไม่สะอาดไหลออกอยู่รอบตัวถูกฝีนี่บีบคั้นแล้วก็ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นหน้ารังเกียจยิ่งนัก ว่าใครที่เดินผ่านต้องปิดจมูกเลยแหละนะถึงความเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งถูกแม่โคลูกอ่อนซึ่งถูกบากปรกรรมอันเข้าไปตัดรอนให้เป็นไปพร้อมเพื่อมีอายุน้อยที่ตนสั่งสมกระทําไว้ตักเตือนอยู่นนะกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นก็เลยตายลงพอเมื่อบุญกรรมอันให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ให้โอกาส เหมือนความมุ่งหมายที่ให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่สมควรเพื่อเป็นที่รองรับอริยธรรมอริยธรรมคือโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลที่ทําให้แจ้งพระนิพพานนิประณีดยิ่งนักซึ่งสงบอย่างแท้จริงนี้ดังนี้ก็เขาบอกว่ากรรมเก่าก็มาตัดรอนบุญก็รีบให้ผลทันทีเลยนะบุญก็รีบโอกาสให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นหลีกก็เลยตายเนี่ยนะีเล่ากันมาว่า ที่ที่แม่โคฆ่าเนี่ยนะเรื่องมามีอยู่ว่าอดีตการสุปปพุทธกุฏินั้นเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งกําลังเล่นกับบุตรเศรษฐีอีกสามคนผู้เป็นสหายของตนวันหนึ่งก็นําหญิงแพทย์สยามงามเมืองคนหนึ่งนะไปสู่อุทยานสเสวยสมบัติตลอดวันเมื่อพระอาทิตย์ลับไปก็กล่าวคํานี้กับสหายทั้งหลายว่าทองคําเป็นจํานวนมากมีถึงพันกหาปณะเนี่ยนะมีค่าหลายแสนนะตอนนั้น และเครื่องประดับมีค่ามากมีอยู่ในมือของหญิงนี้ในที่นี้ไม่มีใครอื่นเวลานี้ก็ค่ำแล้วเอาเถอะพวกเราจะช่วยกันฆ่าหญิงนี้เสียให้ตายแล้วก็ถือเอาทับซัทั้งหมดเนี่ยนะก็คืออะไรปล้นชิงรับเน่ย น, นะคนทั้งสี่คนนั้นมีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันคือชั่วพอกันน่ยนะก็เลยคิดเห็นด้วยกันหมดก็เข้าไปเพื่อจะฆ่าหญิงนั้นหญิงคนนั้นเมื่อถูกพวกเขาจะฆ่า ก็ตั้งความปรารถนานะมิจฉาปนิธิก็ตั้งขึ้นตั้งความผูกเวรขึ้นนะนะตั้งความผูกเวรตั้งความปรารถนาะด้วยโทสะพยาบาทว่าคนพวกนี้ไม่มีอย่างอายไร้ความกรุณาทำสัมถวะด้วยอำนาจกิเลสกับเราแล้วยังจะฆ่าเราผู้ไม่มีความผิดเพราะความโลภในทรัพย์อย่างเดียวคนพวกนี้ฆ่าเราครั้งเดียวก่อนนะขอให้มันได้ฆ่าเราแค่ครั้งเดียว ส่วนเราขอให้ได้เกิดเป็นยักษินีก็สามารถเพื่อจะฆ่าคนพวกนี้ได้หลายครั้งอย่างนี้ก็ตายกันตายแบบผูกเวรเนี่ยนะกวิญญาณพยาบาทเนะคล้ายๆแบบนั้นนะวิญญาณพยาบาทก่อนตายได้ยินว่าในคนเหล่านั้นคนหนึ่งเป็นกุลบุตรชื่อว่าปุ ก, กุสะก็คือปุ ก, กุศาตินะเจ้าผู้ปกครองนครตักศกิลาสมัยนั้นตอนหลังก็ถูกวัวขวิด ต, ตายปุ ก, กุสาตินี้ก็เป็นพระนาคามีใช่ไห ไอแรงพยาบาทอันนั้นก็เกิดเป็นยักษ์แล้วมาฆ่าปกุศษาติก็ฆ่าพระอนาคามี น, นี่ก็ชีวิตนี่เสียหายมากมายเลยนะผูกเวนเนี่ยเขาบอกว่าคนนี่ไม่มีใครเลวถาวรแล้วก็ปุตุชนก็ไม่มีใครดีนี่รันดอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปผูกเวนต้องการจะฆ่าคนชั่วตอนหลังเขากลายเป็นคนดีอ่ะเขาบรรลุอริยธรรมด้วยเป็นพระอนาคามีด้วยเท่ากับผูกเวนสมาทานฆ่าพระ อริยะมันฆ่าพระอนาคามีก่อนอีกคนหนึ่งเป็นพะยะทาลุเจริยะอันนี้ก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยได้ฆ่าพระอรหันต์อีกขั้นหนึ่งเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยนะตาเหลือกเหลืองแล้วก็เพชฌฆาตคราวแดงฆ่าโจรมาห้าบห้าปีเนี่ยก่อนจะตายก็ฟังทำได้วิปัสสนาญาณชั้นสูงก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลได้วิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะมัน นางยักษณีคนนี้ก็เลยฆ่าคนมีศีลอีกคนหนึ่งฆ่าคนมีศีลดีวิปัสสนาสูงเนี่ยนะแล้วก็คือสุปปพุทธผู้เป็นพระโสดาบันเขบอกว่าคนทั้งสี่คนนี่ถูกฆ่าอย่างนี้มาหลา ย, ลายร้อยชาติแล้วละ่ะผูกเวนเนี่ยนะตามฆ่ามาหลายร้อยชาติจนถึงชาตินี้ก็ได้ฆ่าพระอริยะเลยนะโอ้เล่นกับตำเนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะจิตที่ผูกเวนเนี่ยถือว่าเป็นความ เลวร้ายมากมันใครที่ผูกเวรกับใครนี่ให้ถอนเถอะนีนะอย่าไปทําเลยอะไรจะเลวร้ายในที่สุดถ้าเกิดไปฆ่าพระอริยะจะว่ายอย่างไรเนะเสียหายมากบางคนนี่ผูกเวรจริงๆแล้วนะไม่ยอมยอมไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะคนที่ผูกเวรเนี่ยนะคือผูกใจเจ็บเอาไว้กับคนอื่นและจะต้องเอาคืนผู้อื่นให้ได้เนะี่ยเขาไม่รู้หรอกถ้าไปผูกเวรกับคนมีศีลอะไรจะเกิดขึ้นนะไปกระทบกระเทียบคนมีศีลแต่ละครั้งเนี่ยเสียหายมาก ถ้าไปผูกเวรกับคนมีคุณธรรมก็เสียหายเสียหายจริงๆแล้วนะไม่รู้จะเสียหายยังไงแล้วเสียหายจากมรรคผลตัวเองก็เสื่อมจากบุญมิใช่มใช่น้อยเพราะฉะนั้นด้วยวิบากของกรรมนั้นนะสุปปาพุทธะก็ตายในระหว่างนะจริงๆก็ตัวเองเคยฆ่าคนอื่นเขาไว้นั่นแหละตัวเองจึงต้องมาตายแล้วก็ตายเพราะคนที่ผูกเวรนั้นคู่เวรเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะ เจ้ากรรมนายเวรนะที่แบบเขาพูดพูดกันเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้บางคนนี่ติดตามกันมาหลายชาติด้วยกันบางคนก็ชาตินี้แหละบางคนก็ติดตามกันมาหลายชาติเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็พร้อมที่จะเข็นพร้อมที่จะฆ่าได้ทันทีพิสุหลายรูปก็เห็นสุปปพุทธกุติคนโรคเรื้อนที่เป็นพระโสดาบาันตายแล้วก็ไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไไปถามว่ายางไร คือภิกษุทั้งหลายบอกว่าสุปปพุทธกุฏิอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจฐานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วตอนนี้ทำกาละแล้วคติคติคือในบรรดาคติหนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรขออภัยนะคติห้าคือนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดา ในบรรดาคติห้าเขาไปเกิดที่ไหนพบหน้านะการมาพบรูปประพบของเขาอารูปประพบของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุปปพุทธกุติเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะทำเป็นเหตุดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุปปพุทธกุติเป็นพระโสดาบันมีความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งสาม มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอธิบายในหน้า511ว่าตินนางสังโยชนานางปริคยาความว่าเพราะการละโดยสมุทเชษปหานคือละโดยเด็ดขาดซึ่งเครื่องผูกคือสังโยชนในภพสามเนี่ยนะคือละสังโยนสามเหล่านี้คือสกายทิฐิวิจิกิจชาและ สีลพัตะปรามาด้วยอำนาจสมุทเชธาปหานไม่ใช่ละด้วยการฟังหรือละด้วยสมถะหรือวิปัสนาทั่วไปแต่ละด้วยอำนาจของอริยมรรคเนี่ยนะเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีที่ใดเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ของท่านอีกแล้วโสตาปโนได้แก่ผู้บรรลุอริยมรรคกล่าวคือกระแสะครั้งแรกนะนะโสดาบันเนี่ยเรียกว่าถึงกระแสะ กระแสแห่งอริยมรรคก็คืออริยมรรคประชุมกันเป็นครั้งแรกดังที่กล่าวไว้ว่าอวุโสสารีบุตรท่านกล่าวว่าโสโตโสโตเนี่ยโสตะที่แปลว่ากระแสเนี่ยนะโซดาบันโนเนี่ยมาจากสองคำว่าโสตะบวกอาปันะโสตะโสตะหรือโสโตโสโตเนี่ยนะเป็นไงก็บอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละเรียกว่าโสตะเนี่ยนะกระแสตัวนี้เป็นเชื่อของ อริยมรรคเราต้องมองภาพเหมือนอย่างว่ากระแสแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลกระแสแม่น้ำประดุดอริยมรรคกระแสแน้ำนะกระแสน้ำที่ไหลไปนี่ดุดอริยมรรคทะเลเหมือนกับพระนิพพานมันผู้ที่ตกถึงกระแสกะบอกเหมือนอย่างว่าแม่น้ำสายใหญ่ยังไงก็ต้องไหลลงสู่ทะเลผู้ที่เข้าถึงกระแสนี่ยังไงก็ต้องถึงพระนิพพาน มันถ้ากระแสคืออริยมรตมีองแปดเนี่ยนะอาปนะอาปโนอาปันะตัวนั้นแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงกระแสโสดาบันนี่แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งอริยมรตหรือผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานเนี่ยนะหรือเป็นผู้ที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะอวิณิปาตธรรมโมมีการไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาพระโสดาบันนี่มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เชื่อว่าไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเพราะท่านไม่มีความตกต่ําเป็นธรรมดาอธิบายว่าไม่ตกไปด้วยอํานาจการเกิดในอบายสี่เป็นสภาวะยังไงก็ไม่ตกไปถึงอบายเนี่ยตกมาสัตว์เหลือแค่มนุษย์ใช่ไหมไม่ร่วงไปสู่เดราชานเปรตและอสุรกายอะไรเลยเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นบ้างเนาะบอกว่าโอ๊ยค้างอยู่แค่มนุษย์นี่แหละไม่ไม่ลึกหรอกว่างั้นนะไม่ใช่ว่าตกกับเกลีอนู้นร่วงไปเหลือเอเวจีอย่างเงี้ยงงนะไม่ไหวเนาะ นี่น่าร้อนนี่แค่สี่หองศาใช่ไหมโอ้ยนรกมันเป็นหมื่นองศาเห็นไหนะก็ทนทนเอาไว้นะแค่สี่ห้องศาก็ทนไปก่อนเนี่ยนะเอ๊หมื่นองศานี่เราจะไปอยู่ยังไงเนี่ยนะห้าสิี่หองศายังกุศลจิตไม่เกิดเลยนะขนาดร้อนจริงๆเลยอ่านพระไตรปิฎกเป็นยังไงนะลองไม่เชื่อไปตากแดดกลางวันอ่านฟังธรรมดูเธอเนี่ยนะจะขนาดไหนถ้าไปอยู่ในนรกเนี่ยจึงบอกว่าพระองค์บาเไม่ใช่ขณะไม่ใช่กาละไม่ใช่สมัยที่จะ ระพืชพรหมจันท์เนี่ยนะรามันร้อนจริงๆนิยโตในการแน่นอนโดยธรรมนิยามธรรมนิยามก็คือความแน่นอนหมายั้งว่าอริยมรรคมีองค์แปดนี้แน่นอนนะเขาบอกว่าอะไรนะสัมมัตตนิยามมิชัตตนิยามแล้วก็อนิยตาใช่ไหมสัมมัตตนิยตาธรรมามิชัตตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมาถ้าสัมมัตตนิยามก็คืออริยมรรคมีองค์8ปดนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงๆ มิชตัญญยตาธรรมานิยต า, ม, ายตมิจฉาทิฏฐิก็แน่นอนเสีงเหลือที่เหลือก็ไม่แน่นอนท่านโสดาปฏิมักของสุปาพุทธกุฏินี้เป็นของที่แน่นอนสัมโพทิปรายโนชื่อความว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะการตรัสรู้กล่าวคือมักสามเบื้องสูงหมายค่ะว่าท่านจะต้องบรรลุอริยมักเบื้องสูงนแน่นอนนะเพราะว่าอย่างไรเสียท่านก็จะเป็นผู้ไม่ ประมาทในที่สุดเนี่ยนะจะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดโสก่าทาคามีมกักอนาคามิมักและอรหัตตมักเมื่อมีคําถามว่าคติของเขาเป็นอย่างไรภพหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสว่าคติของสุ ป, ปะพุทธแลไม่เสื่อมแต่คติไม่สมบูรณ์เพราะกรรมนั้น น, นะ ก็พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาทรงมีพระประสงค์จะประกาศความนั้นอันเนื่องด้วยความสืบต่อแห่งคำถามจึงได้พาศิษ์เนื้อความเพียงเท่านี้แลนะก็คือบอกว่าคติของเขาผู้เที่ยงเนี่ยไม่เสื่อมเป็นธรรมดาแต่ว่าจริงก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนสุปาพุทธานี่ไปเกิดในสวรรค์ ช, นะชั้นดาวดึงนะสวรรค์ชั้นดาวดึง นี้พระพิสุรูปหนึ่งก็ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องให้สุปปุทธกุ g u t เนี่ยขัดสนกำพรยายนะในหน้า494ข้อ114ถามว่า อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กาพรายากไรพระองค์ก็บอกว่าดูความพิสูนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุฎิเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ในกรุงราชครึกนี้แลเขาออกไปยังภูมิเป็นที่เล่นในสวนได้เห็นพระประเจ ก, กับพทธเจ้านามว่าตัคขราขีกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในพระนครครั้นแล้วเขาก็คิดว่าใครนี่เป็นโรคเรื้อนเที่ยวไปอยู่ น, นะจิตโทสะนะเกิดขึ้น เขาก็ถ่มน้ำลายหลีกไปเบื้องซ้ายแสดงความเหยียดหยามเต็มที่เลย mm. เขาหมกไม่อยู่ในนรกสิ้นปีเป็นอันมากสิ้นร้อยปีพันปีสิ้นแสนปีเป็นอันมากเพราะผลแห่งกรรมนั้นเพราะผลแห่งมิจฉาวาจาที่ไปตาหนิพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเนี่ยนะก็พระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเป็นรองก็เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั้นไปตาหนิท่านนั้นก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเศษแห่งกรรมนั้นนะผลแห่งกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ขัดสนกำพร้ายากไรอยู่ในกรงราชเครึกนี่แลออธิกถาอธิบายในหน้า512ยย่อหน้าล่างว่าเรื่องในอดีตก็มีอยู่ว่าเมื่อพระตถาคตยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นนะอันนี้เรื่องในอดีตนานแล้วมีกุลธิดาคนหนึ่ง รักษานารอบกรุงพาราณสีนางเห็นพระประเจกขพุทธเจ้ารูปหนึ่งมีจิตเลื่อมใสถวายดอกปทุมคือดอกบัวดอกหนึ่งแล้วก็ด้วยข้าวตอกห้าร้อยนะแด่พระประเจกขพุทธเจ้านั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้ลูก500ห้าร้อยคนให้มีลูกเท่ากับข้าวตอกเหมือนกันก็ในขณะนั้นนั่นเองพรานเนื้อในพรานห้าร้อยคนก็ถวาย เนื้อมีรสอร่อยแด่พระประเจกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าขอพวกเราเนี่ยพึงเป็นลูกของนางมีคนปรารถนาขอเป็นแม่มีลูกห้าร้อยคนที่เป็นลูกก็อยากได้แม่คนนี้เหมือนกัน น, นะนะก็เลยบอกขอพวกเราพึงได้คุณนะวิเศษที่รับแล้วในพรานเหล่านั้นทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอพวกเราพึงได้คุณนะวิเศษที่ท่านได้แล้วอันนี้คือวิธีอขอไปเหตุปัจจัยที่ทําให้ได้บรรลุมรรคผล ่าตรัสรู้ทำใดให้ข้าพเจ้าตรัสรู้ทำนั้นด้วยอันนี้คือก า, การตั้งความปรารถนาไอตัวนี้เป็นความปรารถนาที่สําคัญเป็นเหตุให้พ้นทุกข์นางดํารงอยู่ชั่วอายุนั้นแล้วก็บังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกเกิดในกลีบดอกประทุมในสระที่เกิดขึ้นเองแห่งหนึ่งดาบดตนหนึ่งเมื่อพบนางจึงเอาไปเลี้ยงดูเมื่อนางท่องเที่ยวไปดอกประทุมทั้งหลายก็ผุดจากพื้นดินทุกๆุย่างเท้า พรานไพรคนหนึ่งเห็นเข้าก็กราบทูลแด่พระเจ้าภารณสีพระราชารับสั่งให้นํานางมาแล้วตั้งให้เป็นอัครมเหสีนางนั้นตั้งครันแล้วมหาปทุมกุมารอยู่ในท้องของนางส่วนกุมารที่เหลืออาศัยมนทินบังเกิดขึ้น499เป็นสังเสริชักําเนิดอีกคนหนึ่งเกิดในครันอีกคนหนึ่งเกิดในเท่าใครเนี่ยนะกุมารเหล่านั้นเจริญวัยก็พากันเล่นในสะระปุมในพระราชวิทยานนั่งในดอกปทุมคนละดอก แสดงว่าสมัยนั้นดอกบัวใหญ่มากเลนะสมัยนี้ก็บัวอะไรนะบัวอะไรที่ใหญ่ๆนะใบใหญ่ๆเห็นไหมบัวอะไรนะนะอ้าวบัวฝรั่งนะไม่ใช่บัวไทยนะใบใหญ่มากเลยนะบางบัวใบบัวบางแล้วก็เด็กๆนั่งเล่นได้เลยนะเด็กนั่งเล่นได้นะแต่ถ้าไปจมเข้าแล้วทะลุมุดลงแต่ว่าใบนี่ใหญ่มากเด็กๆนี่ก็ไปนั่งในดอกบัวที่ใหญ่ๆนั่นแหละ มียานแก่กล้าแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรปารบความสิ้นไปความเสื่อมไปในสังขารทั้งหลายสิ้นไปเสื่อมไปนี่ให้รู้แต่ว่าพังคยานเป็นต้นเนี่ยนะหรือปฏิปทาญาณทนะัศนวิสุทธิสิ้นปะศัยใจในความสิ้นไปเสื่อมไปด้วยอำนาะจพังคานุปัสนาญาณเป็นต้นไม่นานก็ทําให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณ พระปเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้คาถาพยากรณ์ว่าท่านจงดูใบและกลีบของดอกปฐุมที่เกิดขึ้นแล้วในสระบานเต็มที่แล้วก็เกลื่อนกลนไปด้วยหมูพมอนะดอกบัวที่ร่วงโรยดอกบัวอันนั้นก็ประกาศถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมใครที่ผ่านสระบัวบ่อยๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรบัวตูมบัวบานแล้วก็บัวโรยนะก็โรยโรยกลีบออกไปมันจึงมีฝักใช่ไจึงมีฝักอยู่ในนั้น อันนี้ก็เห็นความที่กลีบแล้วก็ใบของบัวเนี่ยนะที่เป็นของไม่เที่ยงพอบานเต็มที่ก็โรยหมดพอเห็นความไม่เที่ยงนั้นแล้วก็ประกาศถึงอนิจจานุปัสสนาที่ตามเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหมดในภูมิสามสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรน่ากลัวเห็นไม่เที่ยงไม่อะไรน่ากลัว เห็น้วยความเป็นของไม่เที่ยงสอบตกหมดเลยถ้าเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรน่ากลัวนิมิตเป็นของน่ากลัวถ้าเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์อะไรน่ากลัวบอกปวัตตาหน้ากลัวถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาทั้งนิมิตและปวัตตาก็น่ากลัวเแล้วถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็บรรลุอนิมิตตาวิโมกเห็นเป็นทุกข์ก็บรรลุอัปนิหิตาวิโมกเห็นเป็นอนัตตก็บรรลุ สุญญาตาวิโมกท่านก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นก็บรรลุอาริยมรักผู้ที่บรรลุอาริยมรักเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวไปด้วยอาริยมรักนะเที่ยวไปด้วยอาริยมรักมีองค์แปดเหมือนหน่อแรกไหมเพราะว่าตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวนะไม่ใช่เน้นเที่ยวไปแต่ร่างกายนะแต่หมายถึงตรัสรู้ได้แต่เพียงผู้เดียวเาก็เลยเรียกว่าปัจเจกโพธิญาณ น, นะ คือเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปก็ตรัสรู้อริยสัจถึงความพ้นทุกข์นะนางปฐมบดีนะคือใครรู้ไหมนางปฐมที่มีลูกนะั้นก็นางอุบลวันนาเถรีพระประเจกขพุทธเจ้านามว่าตักระสิกขีผู้อยู่ภายในพระปัเจกพุทธเจ้า500รูปเหล่านั้นผู้บรรลุ ป, ปัจเจกโพธิญาณอย่างนั้นท่านก็เข้านิโรธสมาบัติตลอดเจวันที่เงื้อมนันทมูลกะนะ คันธมาศบัรพศล่วงไปเจวันออกจากนิโรธสมาบัติเหะมาลงที่ภูเขาอิสิกิริบัรพศนะภูเขาอิสิกิริก็อยู่ในบริเวณกรุงราชคฤกนะใกล้ๆนั้นนะ่ะเป็นถ้ำที่ฤๅษีจะเข้าไปบอกว่าถ้ำเอ่อเขาลูกนั้นถ้ำเยอะฤๅษีจะเข้าไปพักในนั้นซะส่วนใหญ่บอกงั้นในพระอรหันต์ก็ไปพักที่นั่นในเวลาเช้าครองผ้าถือบาตรและจีวรแล้วเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤก ก็สมัยนั้นในกรุงราชครึกมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่ออกจากพระนครเพื่อกรีธากีท า, าก็เล่นลนะนะในอุทยานพบพระปัจเจกพระพุทธเจ้านามว่าตัคขราสิกีคิดว่าใครนี่หัวโล้นครองผ้ากาสาวะจกเป็นคนโรคเรื้อนเอาผ้าของคนโรคเรื้อนคลุมร่างกายไปอย่างนั้นแล น, นะก็แสดงว่าเป็นนักเหยียดยามคนอื่นตัวฉกาดเลยนะมานะมาก อย่งงก็ถมน้ำลายหลีกไปข้างซ้ายโดยบทว่ากุฏติเขากล่าวว่าท่านผู้ไม่เป็นโรคเรื้อนจริงๆนะนะพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เป็นโรคเรื้อนอะไรขณะเดียวกันเป็นผู้สแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์อันยิ่งใหญ่ก็ไปหาว่าท่านเป็นคนโรคเรื้อนด้วยอักโกสวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการด่าเนี่ยนะก็ด่ากระทบโรคมานะด่าว่าไอเรื้อนไอขี้เรื้อนเนี่ยนะคำพูดอันนี้แหละก็ สาบให้ตัวเองเป็นโรคเรือนจริงๆบทว่ากุติจีวเรนะแปลว่าด้วยจีวรนของคนเรื้อนแสดงว่าแม้พระเปชกเระเพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนคนโรคเรือนโดยมากที่ถือเอาผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมานุ่งหม่มเพื่อป้องกันเหลือบยุงเป็นต้นและเพื่อป้องกันโรคอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ท่านทรงผ้าบางสกุลจีวรเขาจึงดูหมินว่าเป็นเหมือนร่างของคนขี้เรื้อนเพราะตะผ้ามีหลายสีนะ ก็ไปด่าพระประเจกผู้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยเสียหายบทว่าอัปอปพยามะโตกริตตวาความว่าบัณฑิตทั้งหลายเห็นพระปัเจกพระพุทธเจ้าพูดเช่นนั้นนะโดยมากผู้ที่เป็นบัณฑิตก็ไหว้แล้วก็ทําประทักษิณแต่บุรุษโรคเรื้อนคือสุปปาผูทในอดีตชาติคนนี้เนี่ยเดินทางซ้ายพระปัเจกกับพุทธเจ้าให้ท่านอยู่ในด้านซ้ายมือของตน เดินไปด้วยความดูหมิ่นเพราะความที่ตนไม่เป็นวินยูชนนะก็ความที่ตนเป็นคนเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วด้วยเศษแห่งกรรมอ น, นั้นเนี่ยนะกรรมชั่วที่เป็นไปด้วยการดูหมิ่นพระประเจกพระพุทธเจ้าว่านี่ใครใครเป็นโรคเรือนแล้วก็ถมน้ําลายหลีกไปข้างซ้ายกรรมอ น, นั้นก็ทำให้ตกนรกใช่ไมเศษกรรมกรรมที่นาเกิดไม่ให้นาเกิดในนรกหรอกแต่ก็ เศษกรรมเนี่ยทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์โรคเรื้อนบทว่าตัเสวะกรรมมาสาวิปากะเสเสวะ เ, เสณนะเนี่ยได้แก่เขาถือปฏิสนธิในนรกด้วยกรรมใดกรรมนั้นเขาย่อมไม่ให้ผลในมนุษย์โลกเวทนาของเขาอันเป็นไปในขณะต่างการเป็นไปด้วยอำนาจการปฏิบัติผิดในพระปจเจกพพุทธเจ้านะกรรมนั้นก็ทาให้ตกนรกในเวลานั้นกรรมอานวยผลในภพต่อๆไปคืออัปราประเจตนาเนี่ยนะ เมื่อกรรมอื่นกรรมที่ท่านปฏิสนธิเป็นสุ ป, ปพุทธนะกรรมนั้นเนี่ยต้องเป็นตรเหตุนะสุ ป, ปพุทธนั้นะ่ะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตนะมีอโลพะอโทสะโมหะเป็นเหตุนะปับุบนเนี่ยบุญที่เคยทำเอาไว้เป็นตัวอำนวยผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถึงความเป็นโรคเรื้อนเป็นคนเข็นใจเป็นคนน่าสงสารอย่างยิ่ง เพราะกรรมที่ด่าพระปเจกับพระพุทธเจ้าให้ผลในประวัติการกรรมที่นําเกิดจริงๆเนี่ยดีก็เป็นคนที่สมบูรณ์งามอย่างเดียนะแต่ว่ากรรมเก่าเป็นปัจจัยก็เลยให้อันนัให้รูปร่างผิวพรรณเนี่ยเสียหายด้วยเศษของวิบากกรรมนั่นแหละด้วยอํานาจความเป็นผู้มีกรรม เ, เป็นกรรมมีส่วนเสมอการท่า น, นบุคคลทํากรรมเช่นใดโดยมากก็จะได้รับกรรม เช่นนั้นหมายความว่าผลแห่งกรรมเวลาเสวยผลจะคล้ายๆกับกรรมเช่นไปด่าพระปเจกดกผู้เท่าเจ้าว่าเป็นขี้เรือนตัวเองก็ได้เป็นขี้เรือนหรือแม้กระทั่งหลายคนเนี่ยนะไปด่าพระ อ, อรหันต์ว่าเป็นหญิงแพทย์สยาตัวเองก็ได้เป็นแพทย์สยามมัน ต, ต้องให้พรขอให้ได้พน้นขอให้ท่านพ้นทุกข์ใช่ไหมเราก็จะได้พ้นทุกข์บ้างเวลากโกรธใครนะขอให้เธอประสบความสุขความเจริญยั่งยืนตลอดไปเอางี้นะ เริ่มจะไม่พอใจใครก็เจริญเมตตาแล้วขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอยู่ดีมีสุขนะเนี่ยนะมันคิดไม่ได้สินะเอาคนอื่น้ะเละหมดเลยนะตัวเองนี่รับเละเลยกันเนี่ยนะเพราะกรรมที่ผู้ใดทําก็โยนสิ่งใดนนะมันคล้ายๆมูมแรงไยโยนอะไรไปก็กลับมาหาตนหมดเลยนะสะท้อนกลับมาหาตัวเองหมดนะเหมือนกระท่มน้ําลายรถไฟนั่นแหละ ทีนี้พระองค์ก็ตรัสตอบคำถามของพระภิกษุรูปนั้นต่อไปอีกว่าเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนะในหน้าสี่อกกลางๆหน้าบอกว่าเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว สมาทานศรัทธาสมาทานศีลสมาทานสุตะสมาทานจากขะสมาทานปัญญาครั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วสมาทานศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเขาย่อมภัยโรดล่วงเทวดาเหล่าอื่นใน เทวดาชั้นดาวเดึงด้วยสีและยศผิวพรรณก็งดงามกว่าคนอื่นบริวารยศก็มีมากกว่าอันนี้เนี่ยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่สอนทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราเกิดเกิดศรัทธาสีลสุตะจาระและปัญญาเนี่ยนะพนการศึกษาการปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อความเจริญงอกงามแห่งศรัทธาของเรา เพื่อความเจริญงอกงามแห่งศีลของเราเพื่อความเจริญงอกงามแห่งสุตะและจาคะพร้อมทั้งปัญญาในอัตถกาธาน่าห้าร้อยสิบหกบทว่าสัตว์ทางสมาธิความว่างเขาถือสมาธิก็คือสมาทานนะ่ะนะสมาทานเอาโดยชอบซึ่งศรัทธาทั้งสองอย่างคือศรัทธาที่เป็นบุปผาคืคอศรัทธานในเบื้องต้นกับศรัทธาที่เบื้องปลายคือโลกุตระศรัทธาที่เป็นโลกิยะและ โลกุตระศรัทธาที่เป็นบุปผ่าคืคอศรัทธาที่เป็นโลกิยะศรัทธาโลกิยะนั้นอาศัยพระัตนะตรายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วะนนั้ลักษณะของผู้มีศรัทธาก็คืออรหังสัมมาซัมพุทโธพะควา นะผู้ทางพระกวรรณตังอภิวาเทมีนั่นแหละเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาที่เป็นโลกิยะตัวนี้ศรัทธาตัวนั้นจะเพิ่มพูนขนาดไหนก็สุดแท้แต่ปัญญาว่าจะเข้าใจทราบซึ่งในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเท่าใดศรัทธาที่เป็นโลกุตระก็คือศรัทธาที่ถือเอาจนสิ้นพบโดยไม่ต้องถือเอาอีก หมายความว่าศรัทธาที่เกิดร่วมกับโสดาปติมมัคจนถึงศรัทธาที่เกิดร่วมกับอรหัตตมัคเรียกว่าศรัทธาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะศรัทธาที่เป็นโลกุตระต่อไปศีลังสมาธิยิก็คือเป็นผู้สมาทานศีลสมาทานศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมศีลที่เป็นโลกุตระก็คือศีลที่เกิดร่วมกับมัคและผลศีลที่เป็นมัคผลเนี่ยอยู่ๆแล้วเกิดเองเลยใช่อยู่ๆแล้ววีระตีที่เกิดใน สโสดาปฏิมักอยู่ๆก็มาประชุมเองโดยที่ไม่ได้เจริญอะไรมาก่อนเลยเป็นได้ไหมไม่ได้จะต้องเนี่ยเมื่อที่พูดเมื่อกี้ว่าสมาทานประพฤติสุจริตทางกายสมาทานประพฤติสุจริตทางวาจาสมาทานประพฤติสุจริตทั้งกายและวาจาโดยเกี่ยวกับอาชีพจงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมักเมื่อกี้บอกว่าศีลของเราเมื่อไหร่จะบริบูรณ์ดีพอก็ต้ <c oughs> องขอเจตนาที่เว้นจากการฆ่าจงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัก เจตนาที่เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัติเจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในการมเป็นต้นจงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัติขอให้สมาทานอย่างนี้เถอะถ้าสมาทานอย่างนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้นะใครตั้งไว้บอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามีขอกุศลที่ได้สมาทานศีลข้อนี้จงเป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัติ เ, เ, ต ถ, เถิถททด ใครเคยขอบ้างพี่ต๋อคเคยขอบัง้งไหมเคยนะครับสาทุต่อไปสมาทานสุตะบ้างสุตะสุตาทั้งสอง่ะนะสุตานี่แบ่งเป็นสองคือสุตะโดยปริยัติกับโดยปฏิเวศสุตะปริยัติก็คือแหววผ่านหูมามากแต่ก็ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยนะผ่านแล้วก็ติดอยู่ในใจอ่ะนะก็คือได้ยินได้ฟังคําสอนเยอะนี่นะวันละกี่ชั่วโมงดี คนบอกว่าฟังทำวรนละกีชั่วโมงบอกหนึ่งสงสาสหก็ ا, ดูตามสมควรกันแล้วกันเป็นผู้มีปฏิเวทอันสดับแล้วมากไหมคําว่าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะจริงอยู่ปริยัติธรรมที่มีประการตามที่สาวกทั้งหลายได้แล้วได้ฟังแล้วจะมีจริงปริยัติเนี่ยจะดีจริงต่อเมื่อการแทงตลอดอริยสัจหลังจากฟังอ่ะนะเธอได้ฟังแล้วทรงจําแล้วสังสมแล้วเพ่งด้วยใจแล้วแทงตลอดด้วยดีด้วย ทิฏฐิเพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็คือการฟังอริยสัจนั้นจะเห็นอริยสัจจริ ง, รงๆนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีโสตะนี่นะโสตะคนที่มีสุตะนี่แหละเรียกว่าสาวกคือสาวกนี่คือคนที่ฟังแล้วปฏิบัติแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นต้นได้เรียกว่าสาวกบทว่าจารังได้แก่จาคะกล่าวคือการปล่อยวางอภิสังข์จาระนี่คือการสละใช่ไหมสละอะไรก็คือสละกิเลส อภิสังขารคือกิเลสมีอะไรบ้างสกายะทิถิวิจิกิจฉาสีรพตาปรามาสละสกิเลสเหล่านี้ด้วยโสดาปฏิมัติเนี่ยนะปฐมมั ม, มค่าอันเป็นเหตุให้พระอริยาสาวกเนี่ยนะถ้าฆ่าสกายะทิถิวิจิกิจฉาสีรพตาปรามาก็เป็นผู้สละเด็ดขาดในทายธรรมก็พระโสดาบันละมัรชย์ริยะได้เด็ดขาดละริสยาได้เด็ดขาดพระโสดาบันไม่มีริสยาและไม่มี มัชย์เรยามัชยเยเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริจาคทานได้พระโสดาบันนิสละขาดในทายธรรมจิตใจของท่านมีมือสะอาดยินดีในการสละยินดีในการให้ปันขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาคือปัญญาอันสัมปยุทธ์ด้วยมัคจิตและผลจิตและวิปัสนาปัญญาศปปะผู้ทักปุถิตคนนี้สมาทานศรัทธาสมาทาน ศีล ส, สมาทานสุตะสมาทานจาระและสมาทานปัญญาเนี่ยเ่บื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกใช่ไหมเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึงขณะเดียวกันเขาก็ยั่งรุ่งโรจน์เกินกว่าเทวดาชั้นดาวดึงเอกนะเขาบอกว่ากาย ากายยะสะเพทาก็คือขันธ์ที่มีใจคลองแตกทาลายปรมรณาการถือเอาขันธ์อันบังเกิดเฉพาะหน้าในขณะนั้นก็เกิดขึ้นจุติแล้วก็ปฏิสนธิในดาวดึงเทวโลกเนี่ยนะจริงอยู่เขาทอดทิ้งร่างกายมีประการดังกล่าวในโลกนี้แล้วได้อัตภาพทิพตามที่กล่าวแล้วพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากโดยชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยนะจุติกับปฏิสนธินี้กับพิพตาไหนชากัน จติปฏิสนธิกับขพิบต์ตาบอกขพิบตาช้ากว่าปจัจจติปฏิสนธินี่ไวขนาดนั้นพอปฏิสนธิก็เหมือนบุคคลทิ้งภาชนะดินที่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดเปื้อนด้วยชำรุดด้วยหม้อดินที่อะไรนะหม้อดินใส่ใส่ซากอสุภาษเนี่ยนะแล้วก็หม้อแตกอีกต่างหากนะทิ้งก็ถือเอาภาชนะทองคําชมพูนุษยอันบริสุทธิ์วิจิตด้วยรัตนะหลากหลายหุ้มด้วยขายรัศมีอัน ประพัด ส, สอนเนี่ยนะงดงามเลื่อมใสกลายเป็นเทพพบุตรรูปงามเลยใช่ไหมหลังจากที่พระองค์ตรัสพุทธพจน์นั้นจบแล้วพระองค์ก็ทราบเนื้อความก็เปล่งอุทานในขณะนั้นว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงละเว้นบาปทั้งหลายเสียในสัตว์โลกเพราะะฉคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะต้องละเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีจักษุเมื่อทางอื่นที่จะพึงก้าวไปมีอยู่ ย่อมหลีกทางที่ไม่ราบเรียบไปเสียฉะนั้นก็เมื่อทางเลือกมีอยู่ทําไมจะต้องไปเดินทางครุขระเมื่อทางสวรรค์มีอยู่ทําไมต้องเลือกไปเดินเลือกทางนรกเป็นต้นเนี่ยนะสาธุขอให้เห็นอย่างนี้เถอะเนี่ยขอให้มั่นๆนะอย่างงี้นะบอกว่าควรที่จะเลือกเมตตาใช่ไมทไมจะต้องไปเลือกโกรธอย่างเงี้เอตมัตถังวิธิตวาทรงทราบโดยประการทั้งปวงคือโทษ โทษของการไม่งดเว้นจากบาปและอนิสง์ในการงดเว้นจากบาปพระองค์ก็อุทานเนื้อความโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ว่าบุรุษผู้มีจักสุเมื่อความพยายามคือความเพียรทางกายมีอยู่คือความเป็นไปอยู่ในร่างกายย่อมเว้นที่ไม่สม่ำเสมอมีเหวเป็นต้นเวลาจะเดินทางเนี่ยจะต้องเดินไปให้มันตกเหวไห ม, มจาเป็นใช่หมหรือรูปที่ไม่สม่ำเสมอต้องเดินไปชนช้างชนมาก ไปชนไก่ชนโคถูกโคชนน่ะสิเนี่นะเพราะนั้นก็เหลียกเลี่ยงทางที่ไม่สม่ำเสมอหรือรูปที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะที่รูปที่ดูร้ายเช่นช้างเป็นต้นเนี่ยนะฉันใดบัณฑิตคือบุรุษผู้มีปัญญาในชีวะคือสัตว์โลกนี้ก็ฉันนั้นรู้ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเพราะความเป็นผู้มีปัญญาพึงเว้นบาปทั้งหลายคือทุจิตที่เป็นลามกซะ นะเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอธิบายว่าก็เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่พึงถึงโดยประการที่สุปปะพุทธเหตุที่ตัวเองเป็นโรคเรื้อนก็เพราะอะไรไม่เว้นจากบาปในพระปัเจกพรพุทธเจ้านามว่าตักขระสิกีแล้วถึงความวอดวายอย่างใหญ่หลวงวอดวายแค่ไหนตกนรกหลายหลายแสนเป็นแสนปีเนี่ยนะก็เป็นโรคเรื้อนอีกกี่ชาติก็ไม่รู้แต่นี่ยยกตัวอย่างว่าเป็นโรคเรื้อน เวลาเป็นโรคเรือนเนี่ยไปไหนคนรังเกียจทั้งเมืองถามะไรดีไหมเป็นคนที่แล้วไปที่ไหนคนเกลียดทั้งเมืองเลยนะตัวเหม็นเน่าไปหมดนะอ่ะเฮ้ตอนที่ทาบาปนี่มันโก้ดีใช่ไหม้ยยิ่งใหญ่มากกล้า ว, ว่าคนอื่นได้ว่าพระประเจ ก, กับพระุทธเจ้าได้เวลาบาปมันให้ผลไปที่ไหนก็คนเนี่ยปิดจมูกหนีกันหมดอ่ะนะแต่บัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสุปปพุทธาอาศัยธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ถึงความสังเวชเว้นจากบาปทั้งหลายบรรลุคุณวิเศษคือโสดาปฏิบัติเนี่ยนะยิ่งฉันใดแม้คนอื่นก็ฉันนั้นผู้ใดปรารถนาคุณวิเศษอย่างยิ่งปรารถนาบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็เว้นบาปนะเว้นจากความชั่วด้วยกายวาจาและใจเมื่อความดีทางกายมีอยู่ทาไมต้องทำชั่วทางกายเล่าเมื่อความดีทางวาจามีอยู่ ทำไมเราต้องไปพูดชั่วด้วยเมื่อเหตุแห่งการคิดเป็นกุศลมีอยู่ทำไมต้องไปคิดอกุศลให้แก่ตัวเองถ้าคิดเป็นอกุศลแห่งตัวเองเนี่ยนะเราก็ถือว่าเลือกเดินทางที่ครุขระเลือกเดินทางที่ไม่สม่าเสมอตกเขาตกเหวหลไปสู่อาบายเนี่ยนะทุกขติวินิบาทนรกเป็นต้นเคยเห็นปลาที่ ท, ท, ที่ไปกับน้าตกไหม ใครเคยเห็นปลาที่ไปกับ น, น้ำตกพวกดักปลาทั้งหลายเขาอาศัยเนี่ยปลาที่ตกจากน้ําตกนะเขาดักปลาเอาฉันใดผู้ที่ทําความชั่วก็ไหลไปสู่นะไหลไปตกเหวจริงๆเลมันไม่ใด้ตกจริงแล้วก็ตกเหวตายวอดวายเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความชั่วต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้นก็คือความชั่วทางกายวาจาและใจผู้มีปัญญาพึงเว้นจากความชั่วเหล่านั้นเสียเจริญในสุจริตทางกายวาจาและใจปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติสุดจริตเนี่ยนะตอนแรกเหนื่อยยากลำบากหลายคนไม่ส่งเสริมเนี่ยนะใช่ไหมทาความดีเนี่ยแรกๆเนี่ยบางทีคนก็ไม่ส่งเสริมเท่าไหร่บางทีก็คอยกระแนะกระแหนกันคอยอทิ่มแทงกันด้วยหอกคือวาจาบ้างอะไรบ้างแต่อย่าคิดอะไรมากเลยเข้าป่ายุงก็ากลาดใช่เดินตากแดดมันก็ร้อน เดินผ่านฝนมันก็เปียกก็อยู่ในวัตะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมนเวลาคนอื่นเขาว่าเราบ้างก็เราชมคนอื่นสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมมันวันหนึ่งเอาใครมานั่งชมบ้างเอาอลไรจะให้คนอื่นเขามานั่งชมเราทำยังไงเนี่ยนะแล้วก็สุ ป, ปาภุทะกุฏิช่วงเช้าก็คงใช้เวลาเท่านี้จนตอนไปต่อตอนบ่ายก็แล้วกัน